พระอาจารย์ครับกลาวนำพิธการครับผมจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่นานครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่เก้าสิบแลครับอาจารย์ครับก็เอ่อผมตั้งหัวข้อว่าเมื่อพัดภาคต้องจากลาเพราะว่าช่วงนี้ครับอาจารย์ผมเจอคนไข้แล้วก็ญาติที่เป็นมะเร็งมาวินิจฉัยที่คลินิกเยอะมากเลยครับแล้วก็เป็นระยะสุดท้ายพรพอขึ้นสมองปั๊บจะเป็นระยะสุดท้ายทันทีครับพระอาจารย์ แล้วก็โอยก็เศร้ากันทุกคนแล้วแม้แต่ตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าเออท่าน้องเมาใส่ตัวเราเราก็คงจะทําใจได้ยากเหมือนกันถ้าเป็นคนที่เรารักครับวันนี้ก็เลยจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยให้ปัญญาว่าเราจะอ่าปฏิบัติตัวอย่างไรเวลาเราเจอสภาวะแบบนี้ครับอาจารย์ครับขอความเมตตาครับก็เป็นเพราะว่าเราเลินกันเราเลินว่าเราจะต้องมีการทากยักกัน พระเจ้าถึงทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณาอยู่นึงๆว่เมื่อเกิดมาแล้วเราจะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพลาดพลาดจากกันเป็นธรรมดาโลภโขจะความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดจากกันไปไม่ได้นี่คือปัญญาความรู้ที่จะสอนใจเราให้ ยอมรับกับความจริงนี่ถ้าเราไม่อยอมคิดกันเพราะว่าเราถูกกิเลสหลอกเราว่าคิดเรื่องเหล่านี้เป็นอภิมงคลคิดแล้วเดี๋ยวจะทําให้เราตายเยคิดแล้วจะทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเหมือนกับสาปแช่งตัวเองคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรม ก, ก็ไม่กล้าคิดเรื่องาเหล่านี้พ่าเป็นเรื่องอภิมงคลเขาคิดว่าเป็นเรื่องอภิมงคล แต่ตามหลักทำแล้วเป็นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นปัญญาก า, ก า, า, า, า, า, าการมีดวงตาเห็นธรรมจะอะไจะประเสดเท่าอการมีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมานี่คือสิ่งที่เราปิดตาปิดใจเราไม่อยอมให้รับความจริงอันนี้พอถึงเวลาที่ความจริงอันนี้มันมา ยืนต่อหน้าเราเราปิดยังไงมันก็ไม่หนีอยากเราไปเราต้องมาเชิญกับมันเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจกันไม่ได้แ้่ น, นั้นเองเรื่องมันง่ายๆแต่เราไม่เราไม่คิดกันเองเรากลัวกันเรากลัวว่าถ้าคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันจะทําให้เกิดขึ้นดันทีอันใดมันก็ะสาบแช่าตัวเองหรือกระสับแช่ากับคนคนั้นคนนี้ ถ้าเริดว่าพ่อแม่เราจะต้องตายจากเรานี่ยเราป็นการคิดเพราะเหมือนกับว่าเราไปสาปแช่งพ่อแม่ให้ตายไม่ใช่เป็นการสอนใจสอนใจที่ถูกโมหะวิชาครอบงำอยู่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นแสงสวา่างแห่งธรรมเพื่อที่จะมาเปิดตาเปิดใจให้เห็นความจริงที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่ช้าก็เร็ว อยางเราเนี่ยโชคดีไม่ทรามันอาจจะมีบุญเก่ามาอย่างที่เคยได้ฟังครา้งแรกที่เห็นสร้างศพเห็นคนตายนอนอยู่ในรองพอไปงานศพของเพื่อนเขาจีนไม่เยอะเลเพื่อนที่เรียนด้วยกันเป็นพี่ชายของเพื่อนเขาไปจมน้ําตายที่สารัตเไปเรียนที่สารัตไปจม น, น้ําตายใี่นะเขาก็เอาศพกลับมาแล้วก็ประกอบพิธีทางคริเศษศาสนาเขาก็ทํา ว่าพิธีที่ก็ต้องเปิดโรงศพให้ให้ผู้ที่เป็นญาติพี่น้องไปไปไว้อาลายเป็นครั้งสุดท้ายแต่สมนี้ก็แต่งแต่งอย่างดีนะบางคนอนอนหลับแล้วก็ใส่สูทใส่อะไรอย่างดีนอนในโรงที่สวยงามแต่ไม่สร้างในในใจเรามันผุดขึ้นมาว่าเฮ้ยต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะต่อไปคนที่เรารับที่เราห่วงที่ก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สู่ญาตายายหรือใครที่เรารักเราเราอยากจะให้อยู่กับเราไปนานเนี่ยมันวันใดวันหนึ่งก็เขาก็จะต้องไปเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันคิดของมันไปเองไม่ใช่เป็นพ่ออะไรแล้วก็แทนที่จะมีความรู้สึกโอดหูแลือกลัวมันก็รู้สึกเฉยๆที่รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายมันยึงทําให้เราไม่รู้สึก เศร้ากเสียใจของการจากของไปของใครตั้งแต่นั้นมาอเฉยๆมันมันมันรู้ว่ามันจะต้องเกิดถ้าทําอะไรไม่ได้ถ้าไปเสียใจมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไปครับมันก็อันนี้แหละคือปัญญาถ้าอยากมีปัญญาต้องมันเจริญพิจารณาอยู่เนื้อๆนี่เรียกว่าการเจริญจิตตาเมตตาปัญญา สุดะก็คือการได้ยินได้ได้รับความรู้มาก่อนนะว่าพอเราเกลับมาต้องตายเช่นไปไปเห็นของจริงไปงานศพเห็นเพื่อนที่เรารักตายไปจากเราไปอันนี้ก็เป็นเหมือนสุดะไม่ญะปัญญาในการได้ยินได้ฟังได้พบเห็นความจริงคือความตายแต่ถ้าเราไม่เอามาพิจารณาคิดบ่อยๆเดี๋ยวเรากลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมก็ลืมไป อาจจะเศร้าอยู่สองสามวันใช่ไหมหลันจากนั้นเข้ามาทำมาทําการมาเที่ยวมากินมาดื่มอะไรขอเรามันก็ลืมเรือ่องความตายของคนนั้นไปใจก็หายเศร้านี่ปัญหาคือไม่อยากจะคิดถึงความตายเพราะมันทาให้เศร้าเท่ลยไม่ไม่หยอกคิดกันแต่ไม่รู้ว่าถ้าเรามาคิดบ่อยๆมาเตือนใจสอนใจบ่อยๆมันเป็นการเจริญปัญญาขั้นที่สอง แยกกิรตาไมยะปัญญาอันนี้เราจําทําไมต้องจเจริญบ่อยถ้าเราไม่คิดบ่อยๆเราลืมเหมือนสูตรคุณเนี่ยถ้าคุณหมอไม่ท่องบ่อยๆก็ลืมได้สูตรอะไรต่างๆที่ใช้เรียนมาเนี่ยถ้าไม่เอามาทบทวนเยอะๆเนี่ยมันก็ลืมได้ก็ ต, ต้องเอามาทบทวนเพื่อมันไม่ให้มันลืมอย่าให้มันเป็นสัญญาให้มันเป็นปัญญาถ้ามันเป็นปัญญามันจะไม่ลืมถ้าเป็นสัญญามันจะลื สัญญาเนี้ยอนิจจาแต่ปัญญานี่ไม่อนิจจาปัญญานี้รูแ้แนวรู้เลยฝังอยู่ในใจแต่ถ้าเวลาพิจารณาจิตตามรญยะปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วใจยังเศร้าอยู่ ใ, ใจไม่อยากพิจารณาก็แสดงว่าขาดเบิกขาก็ต้องไปฝึกสมาธิจลันสตินั่งสมาธิให้มากๆแล้วใจจะเฉยเวลาพิจารณา สิ่งที่ไม่ชอบพิจารณาคือความตายการพลาดท่าจากกันแต่ถ้าพิจารณาแล้วใจไม่เศร้าก็สามารถพิจารณาได้ก็แสดงว่า ม, มีมีอยเบกขาในระดับหนึ่งที่ยอมรับความจริงนะแล้วถ้ายอมรับได้เวลาเกิดใครตายไปนี่มันเฉยแนละ้วเหมือ น, นเหมือนเตรียมเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นะถ้าเป็นดาลก็ซ้อมลบมนะัแล้ะพอถึงเวลาก็ ขึ้นขึ้นเข้าสู่สนามรบได้เลยถ้าเป็นนักมวยก็พร้อมที่จะขึ้นเวทีชกได้เพอฝึกซ้อมมาอย่างดีเพรรู้ว่าต้องขึ้นเวทีวันใดวันหนึ่งไฟบังคับจะต้องมาใช่ไหมมาเจอไฟบังคับก็ต้องขึ้นเวทีจะยอมหรือไม่ยอมก็ต้องขึ้นแต่ถ้าเตรียมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนก็ไม่กลัวใช่ไหมไม่ก็ลัวเราพร้อมเรารู้วล า, าเอาชนะโคด ผู้ต่อสู้เราได้คือความทุกข์นี้เราไม่ทุกข์กับมันแล้วเราคิดเกียจข้างเกียจครั่งขี้โหดมันก็ไม่ทุกมันเฉยๆได้ถ้ามันยังหม่นไหวอยู่ก็ต้องไปฝึกสมาธิให้มากขึ้นปัญญาอย่างเดียวขาดสมาธิมันไม่เป็นภาวนาไม่ยาปัญญาต้องทําให้มีอุเบกขาใจาจะเฉยเวลาพิจารณ า, าความแก่พิจารณาคนแก่ เวลาเจอความเจ็บก็จะเฉยได้อยู่กับความเจ็บได้เวลาเจอความตายก็เฉยได้ไม่ต้ตองตนนี้ก็ตอนนี้เราเราได้สูตรตามมัยะบัญญัตเราศึกษาธรรมะฟังเทศบอ่อยๆทุกครั้งที่มาฟังที่นี่จะมีเรื่องกิดแก่เจ็บตายให้ได้ยินอยู่เสมอที่ขัน้นต่อไปก็ต้องเอาไปพิจารณาไปเตือนใจอยู่เรื่อยๆไปสอนใจอไปให้ลืม เรี่าไปไปทําการบ้านเพอเดี๋ยวจะต้องเข้าห้องสอบห้องสอบว่าคือเนี่ยต้องไปเจอความตายไม่แค่ของไม่ของเราแล้วก็เพิ่เลยของคนที่เรารักเราจะต้องมีการพัดผาจากกันถ้าเราเตรียมทำหมันทําการบ้านอยู่รื่อยพอถึงเวลาเข้าห้องสอบเขาถามข้อนี้เราก็ตอบได้ใช่ไหมเพราะเราเราเตรียมเตรียมทำํำข้อสอบข้อนี้อยู่แล้ว แล้วเขาก็ไม่ถามข้อไหนเลยข้อสอบชีวิตนี่มันง่ายมากมันไม่ไม่ซับซ้อนมันไม่หลวเหมืนกับข้อสอบที่เราเรียนในหนังสือเราไม่รู้เขาจะถามข้อไหนเราต้องเราต้องทําหลายข้อด้วยกันแต่นี่ข้อสอบทางชีวิตมีแค่สามข้อใหญ่ๆนี่เอความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันนี่คือข้อสอบที่พวกเราจะต้องทํากันในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า ถาต้องการจะสอบผ่านก็คือไม่ทุกขกับเหตุการณ์เหล่านี้ก็ต้องหมัน่นพิจารณาอยู่เดีอๆแล้วก็ถ้าพิจารณาแล้วใจยังยังยังไม่รับยังไม่ยอมรับก็ต้องฝึกสมาธิหันตั้งสมาธิทันใจให้นิ่งให้มิลเบกาพอใจนิ่งสมบมิลเบกาแล้วพอพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเราจะรู้สึกเฉย แล้วถ้าอยากจะไปลึกไปกว่า น, นั้นก็ถ้าถ้าศึกษาเข้าไปก็จะเห็นว่าสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวคนที่เรารักหรือเขาเขาลบสิ่งที่ตายนั้นเป็นเพียงแต่ตัวแทนของเขาเท่านั้นเองเป็นคนรับใช้เป็นเครื่องมือเขาตัวที่ตัวที่เป็นคนที่เรารักเราเขารบนี่ไม่ใช่ร่างกายเป็นใจผู้ที่ใช้ร่างกายให้ทําอะไรแทน เพราะใจไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายใจก็เลยต้องลางสายร่างกายนี้มาเป็นตัวแทนมาทําอะไรต่างๆยันคนที่เรารกากเราเคารพไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องไปต่อไปตามตามตามบุญ ต, ตามบาปตามระบบของมสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดถ้าก็ยังมีตันหาความอยากอยู่เขาก็จะต้องไปเกิดใหม่ครั้งหนึ่ง เขาได้ร่างกายใหม่เขาก็จะไปเกิดใหม่แต่เราก็อย่าไปหวังเจอเขาเลยเพราะว่ามันโอกาสมันยาก <Okay. S 1> แต่เราก็พลาดพลาจากคนแบบนี้มาไม่รู้กิจแสนครั้งแล้วเอาตายจากคนที่เราเลิกเราชอบมาไม่รุ้กิจแสนครั้งแล้วแต่พอเรามาเกิดชาติใหม่เราก็ได้คนใหม่ล้วก็ลืมคนเก่าเหมือนคนสมัยนี้ใช่ไหมเวลาภรรยาและสามีตายจากไปไม่กี่ปีก็ได้คนใหม่ะครับ okay. คนได้คนใหม่คนเก่าวก็ลืมไปแล้วมันกลายเป็นอดีตไป แ, แต่ตอนที่ใหม่ๆโอ้ยอยากจะเจอกันอกีกอยากจะพบกันอกีกพบหน้าชาติหน้าก็ว่ากันไปนั่นเป็นเป็นความอยากชั่วชั่วครู่ตนเองในขณะที่ต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปแต่ก็จากไปชั่งระยะหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่ามันโอกาสที่ได้เจอกันคงจะไม่มีแล้วนีว่เราก็เลยคว้าของใหม่มีของใหม่มาแทนแล้วก็เอาไว้ก่อนนะของเก่าก็ ก็เป็นถือว่าเป็นอดีตไปงั้นอย่าไม่ต้องไม่ต้องไปมีความอะไรถูกพันมากเกินเกินไปตายเข้าไปแล้วก็ก็ถือว่าไปจบนี่คือสภาพความเป็นจริงของชีวิตความสัมพันธ์ของพวกเราทุกคนนี้เป็นของชั่วคราวอย่างคุณหมอกันเราวนี่พอตายจากการเวล้ก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้ว ก็เป ja. ็นเป็นช pues ั่วคราวหรืจะมองแบบนี้ก็ได้แล้วมักจะสอนตัวเองว่าเหมือนกันเราไปพบคนที่สนามบินเวลาเครื่เครื่องแต่างคนก็ต่างรอเครื่อเครื่องบางลำราก็อาจจะทํากิจกรรมร่วมกันอาจจะไปกินกาแฟอะไรกันอะไรเดินชอปปิ้งด้วยกันก็ได้รอค่าเวลาแต่พอเวลาถึงเวลาที่เราขึ้นเครื่องเครื่องใครเครื่องมันก็ต้องไปนะไปบายชีวิตของพูกเราก็เหมือนแบบนี้แหละ นอกนี้ก็เป็นเหมือนสนามบินใหญ่ๆที่เรามารอขึ้นเครื่องกัน ต, ตอนที่ช่วงที่เรารอเราก็ทํากิจกรรมร่วมกันได้แต่พอเวลาถึงเวลาที่ไฟล์เขาจะขึ้นก็เาเประกาศทางทางเครื่องขยายเสียงว่าเครื่องเครื่องไฟล์นี้ถึงเวลาขึ้นบอร์ดแล้วนะต้องขึ้นเครื่องแล้วขอเชิญไปตรวจพาสปอร์ตอะไรมีซ่าเราก็ต้องไปกันะ ก็มีท่านนี้แหละที่จะไปจริงจังอะไรก็มันมากมายทำไมคนไทยเขาคิดมากมายเพยรับอาจารย์ก็อย่างนี้นะมันก็สบายใจครับอาจารย์ได้ข้อคิดนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยแหละครับอาจารย์ตอนนั้นเด็กๆก็ได้คิดอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็คิดตามส่วนคิดตอนต้นก็คิดว่าอเรื่องความตายนีทุกคนจะต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นกทุกคน แล้วเราก็ย้อนกลับมาททั้งตัวเราเองทั้งคนที่เรารักแราเคารพเช่นพ่อแม่แตอนนั้นก็มีแต่พ่อแม่กับคุณย่าอยู่กับคุณย่าหลักคุณย่ามากก็ต้องคิดว่าถ้าวันหนึ่งก็ต้องจากกันครับแล้วมัน ก, มนก็มันก็เบื่เวลาเวลามีอะไรเห็นใครอะไรพอจะไปยึดไปติดไปห่วงเขาก็คิดว่าเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันก็เลยไม่ค่อยหมีความยึด ยึดตดิไม่มีความผูกพันแบบแบบที่จะต้องเสียอกเสียใจเวลาที่จะต้องพัดผ้าจากกันครับอันนี้ได้ข้อคิดมากมายเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ อ, อแล้วตนตอนนี้ครับพระอาจารย์ก็จะมีคนพูดถึงการรักษาว่าเนี่ยจะรักษาเพื่อให้อยู่ไปนานๆขึ้นเช่นให้เคมีบําบัดให้อยู่ไปสักปีหนึ่ง สองปีห้าปีหรือมากกว่า น, นั้นกับอีกอีกความคิดหนึ่งก็บอกว่าไม่เอาไม่น้อยเคเมียมบัตรอยู่ให้มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีอาจจะอยู่สั้นหน่อยแต่แต่ดูมีความสุขขึ้นอย่างนีน้ในมุมมองทางศาสนามีบ้างไหมครับอาจารย์ครั บ, าารรบทางศาสนาก็ไม่ห้ามให้รักษารักษาได้ถ้ายังรักษาได้ก็รักษาอยู่แต่ถ้าการรักษากลับกลายเป็นเป็นเป็นพายเป็นโรคขึ้นมาก็อย่าไปรักษามัน ถ้าการรักษากับการเป็นเนโรคถ้าที่ะรักษาโรค ก, กับสร้างโรคใหม่ขึ้นมาคือโรคต้องเจ็บจากการรักษาบำบัดต่าง ๆ, ๆถ้ามันมันมันได้ทุกข์มากกว่าได้สุขมันก็มันก็ไม่มไมไมคุ้มค่าใช่ไหมยอย่างโลกุเจ้าก็ทรงตัดบอกว่าถ้าจะทรงอยู่ต่อไปก็อยู่ได้แต่ต้องเหนื่อยครับต้องอต้อง แบบสังขารนี้ต้องคอยดูแลยิ่งอายุมากขึ้นการดูแลร่างกายมันก็จะมียากมากขึ้นว่าการเจ็บไข้ได้ปว่วยอะไรมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะพระเจ้าก็ยังทรงเปิดทางอยู่นะคืบอกกับอนอนต์อย่างนี้บออ่าอนนท์เนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ต่อไปเกินเวลาที่ควจะไปเนี่ย ยังสามารถยืดเวลาของชีวิตได้แต่ความหมายก็คือว่าต้องมีคนคอยสนับสนุนเช <Yeah. S 1> ่นผ้านอนก็เป็นเหมือนกับพระอุปถาถ้าจะให้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อผ้านอนก็ต้องเหนื่อยต่ออีกแทนที่จะมีเวลาไปปีิเว่ไปปฏิบัติธรรมเข้าใ <Yeah. S 1> จยังไม่ไม่ได้ฝไปเพราะอยางจะต้องมาคอยรับใช้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ว่าผ้านอนยังไม่บรรลุผ้านอน มีได้บรรลุแค่พระโซดาบันแล้วก็มารับใช้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีเวลาไปปีกวิเวกไปไปปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปได้แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระอนันต์ก็จะสามารถไปปฏิบัติและสามารถบรรลุได้ภายในสามเดือนเราพุทธเจ้าก็เลยไม่อยากที่จะผูกผูกมัดพระอนนต์ให้รับใช้พระเจ้าไปต่อรพรุทธเจ้าก็เลยเปิด ช่องทางให้พระอนุนตัดสินใจเอาเองว่าจะเอาอย่างไรถ้าอยากจะให้เราอยู่เราอยู่ได้นะแต่ในยะก็บอกว่าเธอก็ต้องต้องเหนื่อยครับเพราะเธอคงจะไม่ยอมให้คนเหื่อยมามาดูแลเราเพราะเธอก็ดูแลเรามาอย่างต่อเนื่องเธอก็ยังต้องดูแลต่อไปอีกเวลาที่เธอจะเอาไปปฏิบัติธรรมก็จะยังไม่มีพรจารก็พูดอย่างนี้หลายครั้งพระอนุอนก็ไม่ได้ไม่ได้ขอราธนาบอกว่า ขอพระองคดอยู่ต่อไปเถิดข้าพเจ้าพร้อมที่จะอุปถัมภ์รับใช้ต่อไปเมื่อไม่ขอลาธนาก็แสดงว่าคงจะไม่อยากจะเสิรไม่อยากจะรับใช้ให้เกินเวลาที่ควรจะเป็นไปอาหนุนก็เลยไม่ได้ไม่ได้อลาธนาให้พุทธเจ้าอยู่ต่อเมื่อพรุทธเจ้าทราบว่าอาหนุนนี้ไม่มีความปรารถนาที่จะยืดเวลาการอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้า เอาจาก็เลยตรงสั ง, สงขารว่าจะไม่จะไม่ดูแลให้มันมากเกินกว่าเป็นปกติหรือมันเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปมันจะตายก็จะไม่ยืมมันง่ายๆพอบอกว่านอนว่าน อ, นอนอนกสารเดือนเราจะไปแล้วเนะทีนี้อนอนตกใจเลยจใจขอโทษอย่าพึ่งไปอย่าพึ่ง ไ, ไปอยู่กับผมไปก่อนอ๋อรานนาอยู่ต่อไป เขาจะบอกสายไปะรักอนุนเราเคยพูดกับเธอถึงสามครั้งด้วยกันเรื่องการที่จะอยู่ต่อไปแต่เธอไม่เคยขอเราแม้แต่ครั้งเดียวแต่พอเราได้ตัดสินใจว่าเราจะไม่ยืดอา ย, ย, ยุของเราไปอีกแล้วเธอึงมาขอมันสายไปแล้วเพราะเราได้เราได้โตนะเราได้ตัดสินใจนะเมื่อตถาคตได้ตัดสินใจอย่างไรเราจะไม่มีการเปลี่ยนใจ อาอ น, นก็ล้องโหย่้องไห้เศร้าโศกเสียใจจากการที่ตนเองไม่ได้อาราธนาอาจจะโง่อาจจะไม่ได้คิดว่าพทะเจ้าพูดเป็นเป็นเชิงให้อานนท์ได้ได้เลือกว่าจะจะขอให้อยู่หรือไม่ครับก็เลยอาจจะขาดปัญญาไม่รอบคอบก็เลยไม่ได้อาราธนาเวลาที่พทะเจ้าพูดอย่างนี้ก็เลยไม่ได้อาราธนา พร่พระเจ้าบอกว่าจะไปภายในสามเดือนทีนี้ก็เลยรีบอาราธนาขึ้นมาแต่มันก็สายไปซะแล้วพระเจ้าลองถามถึงสามครั้งก็ไม่เคยอาราธนาถึงสามครั้งด้วยกันก็พระวจชาก็คงตัดสินใจว่าพระพานนอนคงจะไม่ไม่พร้อมที่จะดูแลต่อไปผมก็ไม่บังคับผมก็โอเคอยู่ก็ได้ไปก็ได้สาหรับใจของพระวิชานี้เท่าเดิมมันไม่ได้ได้กําไรได้ขาดทุน แต่ก็เวลาที่อนนท์น้องให้น้องผมน้องให้เสียใจที่ไม่อาราธนาผู้เจ้าก็บอกอนนท์เธอไม่ต้องเสียใจมันดีเป็นดีสนับเธอสิอเพราะว่าหลังจากที่เราไปแล้วเราจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่แล้วภายในสามเดือนเธอจะบรรลุเป็นผ้าได้เป็นเครื่องปลอบใจให้กับผ้าอนนท์เนดัทางศาสนาไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ให้รักษา แต่การรักษานี่มันจะกลายเป็นโลกที่ดุนแรงกว่าโลกที่รักษาหรือเปล่าคือต้องทุกข์ทรามารเจ็บมากกว่าโลคที่เรารักษาหรือเปล่ามันคุ้มค่ากันไหมถ้ามันไม่คุ้มค่ากันแล้วก็อยู่กันแบบไม่สมประกอบฉันยื้อแล้วให้นอนเป็น น, นอนอยู่ในห้องไงซียู่นี้ยื้อไปทําไมครับใช่ไห ม, ไหมรักษาก็ไม่หายรักษาก็ไม่ฟื้นให้นอนอยู่ในเห้องไงซี ต้องใช้เครื่องหายใจใช้อะไรต่างๆมาทําหน้าที่แทนเพราะของที่มีในร่างกายมันไม่ทําไม่ไหวแล้วมันทําเองไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยาเป็นผู้ตัดสินเอาเองอันนี้ไม่สามารถจะไปตัดสินใจให้ให้กับใครได้อันนี้เพราะเป็นเรื่องของของความผูกพันของแต่ละคนมันก็มีความผูกพันมากน้อยหรือมีปัญญามากน้อยต่างกัน การปรับพระคุณพระอาจารย์ครับผมจะนําไปขบคิดบ่อยๆและจะให้เกิดปัญญาขึ้นในที่สุดนะครับครับอย่าลืมเนี่ยทุกวันอย่างน้อยทุกวันเวลานั่งสมาธิเสร็จแล้วต้องมันพิจารณาว่าเราเกิดมาเราย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาถ้าเป็นลึกซึ้งมากๆก็ว่าไปที่เยี่ยมสุสานไปเดินยู่สุสานไปดูเนี่ยคนเหนนี้เขาก็เคยเป็นคนเหมือนเราเหมือนที่ว่าแข่งหนึ่งที่เคยไปเจอ ท่านแขวนโครงกระดูกไว้บนศาล า, ท, าที่เหมือนที่นักศึกษาแพทย์ศึกษาเนี่ยแล้วตองมีโครกระดูกแล้วก็ปิดป้ายที่ที่ที่หน้า อ, อกของของโครกระดูกว่าข้าพเจ้าคืออนาคตของท่านท่านคืออดีตของเรากลับขอบพระคุณอาจารย์ครับ มีคนแชร์ครับอาจารย์ครับคุณสุพิญยาบอกว่าพี่ชายเพิ่งเสียวันนี้เมื่อวานจับมือเขาก็ไม่รู้จะพูดกับเขาว่าอะไรดีค่ะก็ไม่พูดเไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่น้องพูดพูดไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับถึงเวลาเขาจะไปก็พูดให้กําลังใจว่าขอให้ไปดีก็แล้วกันนะพี่ปล่อยร่างกายเถอะน่างกายไม่ใช่ตัวพี่อย่ายื้อเลยปล่อยเขา ปล่อยเข้าไปพี่อย่าทุกข์อย่าไปเครียดกับมันปล่อยมันไปจะได้ไปอย่างสง บ, บไปได้อย่างไม่ทุกข์คุณพีโกรครับเรียนถามพระอาจารย์สิ่งของที่มีค่าทางใจมีอุบายใดที่จะไม่จิตยึดมั่นมากครับ อ, อ๋อของที่มีค่าทางใจหมายถึงอะไรถ้าของภายนอกก็อย่าไปยึดนะมันเพราะมันเป็นของชั่วคราวนะครับ แต่ของที่มีค่าทางใจที่เป็นธรรมะนี่ยึดได้ไอ้ของอนี้มันจะไปกับเราเช่นบุญกุศลต่างๆนี่ยึดได้สติสมาธิปัญญานี่ยึดได้แต่ถ้าพูดถึงของที่มีค่าทางใจหมายถึงของภายนอกเช่นภาพลวดเสลน์รือบุคคลต่างๆนี่เรายึดเอาไปไม่ได้ถ้ามันเป็นของที่ไม่แน่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการพัดพาจากการได้ เสมอไม่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ว่าเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะจากก่อนเราไปก็ได้เรืออาจจะจากหลังจากหรือเราจะจากไปตอนที่เราจากเราไปก่อนเขาก็ได้หรือเขาไปก่อนเราก็ได้หรือไปพร้อมๆกันก็ได้ต้องคอยเตือนใจต้องคอยบอกใจเรื่อยๆสอนใจเรนะื่อยๆสิ่งต่างๆในเรื่องนี้มันของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคร่าต้องมีการจากกัน ไม่จากกันตอนเป็นไม่ต้องจากกันตอนตายคุณกันนิกาครับบอกว่าศูญย์เสียหลานวัยสี่ขวบไปอย่างการตันหันผ่านมาเก้าเดือนแล้วยังทําใจไม่ได้เลยค่ะยังร้องไห้ทุกวันครับก็เพราะยังไม่ยอมรับความจริงยังมองยังรับความจิตยังไม่ยอมรับความจริงทุกครั้งที่คิดก็ยังเกิดอุปทานเกิดตันหาความอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไป ทั้งที่ความันจริงเข้าไปตรงนานแล้วไม่มีสติไม่มีอุเบกขาไม่จิตไม่ว่างเฉยซึ่งกำลังของความอยากของกิเลสตัณหาไม่ได้มีคุณสุพิญญาบอกว่าอยากพูดให้เขาปล่อยวางก็กลัวเขาจะรับไม่ได้แต่บอกว่าทาบุญมาเยอะมาทั้งชีวิตเป็นครูสอนตัเรียนให้ใจเป็นสุขนะบอกแบบนี้ครับอาจารย์อย่างนี้ดี ก็ดีบางทีบางทีไม่ควรจะไปพูดอะไรกับเขาก็ได้เพราะงทีไปรบกวนเขาก็ได้นะทีช่วงนั้นเขต้องการที่จะวิเวกอยู่คนเดียวไม่ต้องการที่จะให้ใครมารบกวนเขาก็ได้อย่างหลวงตาท่านเคยสั่งพระไว้ว่าถ้าเกิดท่านเป็นอะไรนี่ถว่ายะท่านไม่ให้ใครมาแตะต้องตัวท่านเลยท่านบอกถนะ้าเกิดท่านหมดสติไป เราไม่ทำกรรกระซิบบอกว่าให้พุโทโธหรือให้พิจารณาอนิจจาัฏทุกขังอนัตตา่เราอย่ามายุ่งท่านกำลังทำหน้าที่ของท่านท่านจะทำหน้าที่ของท่านโดยที่ไม่ต้องการให้ใครมารบกวนกำลังพิจารณาใจให้สงบคนนั้นก็มากระซิบคนนี้ก็มาขยับร่างกายนี่มันก็ไปทำลายการกระทำการภาวนาของท่าน ท่าเคยสั่งไหมท่านเคยพูดไหมตอนที่ท่านยังไม่เสียแต่เวลาผมเป็นอะไรนี่อย่ามาแตะต้องตัวผมนะแล้วก็อย่ามากระซิบมาบอกผมให้ทํานู่นทํา น, นี่เหมือนเหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้วโคจมตะเออโคจมตะคอลข้างเวทีต่อยซ้ายยกขวาย่งมันไม่ไม่เกิดอยู่เพราะตอนนั้ น, น, น, นมันนักมวยกําลังชนลงมูลอยู่คู่ต่อสู้แล้ อย่าไปทําให้เสียสมาธิดีกว่าอันนี้แหละคือวิธีของนักปฏิบัติเวลาจะไปท่านไปแบบนี้ท่านไปแบบท่านพร้อมนะท่านศึกวิชาของท่านมาพร้อมนะท่านไม่ต้องการให้นใครที่จะต้องมามามารบกวนท่านในการที่ท่านจะต้องใช้การปฏิบัติของท่านกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะ หลวงตาได้สั่งว่าไม่ให้มีสวดอะไรด้วยเลยใช่ไหมครับอาจา น, นั้นอ๋อนะั่นท่านพูดหลายหัดนะคำว่ากุศล า, านะกุศล<ช>านี่ให้สำหรับทําต่อที่มีชีวิตอยู่ค<ช>ําว่ากุศล า, าก็คือกุศลกุศลก็คือปัญญานี่แหละให้มันมันมันปฏิบัติเจริญปัญญาให้เจ็มีปัญญาให้เห็นใจรักเห็นอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาเพื่อให้ปล่อยวางสภาวะทาวทาั้งทั้งหลายให้ให้ได้ อันนี้ให้ทําตอนตอนเป็นตอนตายทําไม่ได้และการสวดนี่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับใครทั้งนั้นเพราะมันเป็นแค่เป็นเป็นบทสวดแล้วบางทีสวดคนฟังก็ไม่เข้าใจคนบางทีไม่เข้าใจนะว่าที่สวดี่สวดให้ใครกันนะคนไปงานศพก็คิดว่าสวดให้คนตายครับจริงถ้าสวดบางทีก็ไม่รู้สวดให้ใครอย่าง่รพลาดที่สวดก็ไม่รู้สวดให้ใคร ก็คิดว่าเป็นพิธีอย่างหนึ่งให้ทาเป็นหมือย เ, เพลงประกอบเหมื เ, เพลงประกอบงานเนี่ยเวลาเป็นงานมันเกิดก็น้องแคปไปวัดเตยกันอันนี้เวลาตายก็ไปน้องกุศลากันอกุศลากันก็เลยคิดว่าเป็นเป็นเพลงประกอบพิธีใช่าน้ครับแต่ก็ยังมีสวดนะครับอาจารย์เป็นของที่มราเชื่อกันมาทํากันมา ถ้ามันถ้ามันไม่สวดแล้วมไม่ขังเลยครับแล้วจะไม่ส่งโยมิ ญ, ญญาณไปสวรรค์เนี่ยจากพ่สมพรครับตอนสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิโยมชอบคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยต้องแก้อย่างไรครับก็ น, นั่นแะก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องจดจออาาด่อยยอยู่กับการสวดถ้ามันสวดแล้วคิดก็สวดช้าหน่อยหรือให้มันให้มันให้มันมีสเตจอยู่กับการสวด อย่าสวดแบบใจลอยถ้าสวดแบบใจลอยมันก็คิดได้เอาสวดแบบไม่ใจลอยให้ให้ใจเรานี่เกาะติดอยู่กับคาสวดทุกคําลยอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธอย่างเงี้ยอย่าไปสวดอิติปิโสภะกวาแล้วก็ใจก็ลอยคิดถึงเรื่องนั้นเรนี้ไปคล้องๆกันอันนี้นั้นสวนแบบนอกแก้วน้องสวดแบบไม่สตจดจ่ออยู่กับการสวด ถ้ามีสติจดจ่ออยู่การสวดโอกาสที่จะมันคิดมันจะน้อยมากมันจะน้อยลงไปอาจจะมีบ้างตอนเริ่ม ต, ต้นเพราะสติเรายังมีกำลังไม่มากแต่ก็ขอให้จดจ่ออยู่กับบทสวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความคิดต่างๆก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่ ง, งมันหยุดเลือหายไปก็ได้ต้องจดจ่อ คุณตอบพงครับการเรียนถามครับคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่สามารถให้ความเห็นในการรักษาต่อได้คุณหมอให้ผมตัดสินใจเองถ้าผมไม่ทําการรักษาต่อด้วยการสอดเข้าและเจาะคอผมบาดไหมครับไม่บาปครับเพราะว่ามันมั น, ม, นมันเป็นเทตเป็นผลวันหมอก็บอกว่าทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทําไปก็ไปทรามายคนไข้บบาด เพราะฉะนั้นก็แต่คนบอกก็ไม่กล้าไ ม, ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าจะหยุดยุดติการรักษาแลือไม่ต้องเป็นเจตนาของของญาติหรือของผู้ป่วยเองก็มีปัญหากรณีแบบเดียวกันเนี่ยไม่ทราบวาเคยศึกษาประวัติของปู่ชาบะในบ้านปลายมณฑลนี้รู้สึกว่าท่านก็ป่วยต้องนอนแบบนอนแบบเป็นเจ้าชายแล้วก็เขาก็มีเครื่องหายใจมีเครื่องอะไรมีสายรองสายยาเข้าไป ลูกสินลูกหาอยู่เห็นไปก็ฝ่ายนึงก็เห็นแล้วก็ไม่น่าจะปล่อยท่านอยู่เลยอีฝ่ายนึงก็ยังอยากให้ท่านอยู่ยังหวงสิรีระของท่านอยู่ก็ตัดสินใจไม่ได้ก็เลยไปขอขอปรึกษากับหลวงตาครับหลวงตาบอกว่าหยุดเถิดมันเป็นการยือ้อมันเป็นการเป็นการเผาสร้างทุกขเวทนาทางร่างกายให้มันอยู่ต่อไปนา น, าน ครัถ้ายุติทุกขเวทนาทางร่างกายันก็จะได้หมดไปรู้สึกว่าต้องให้หลวงตามในคนสัง่งสั่งให้ยุติให้ตถอดสายยงสายยางออกให้ท่านอยู่แบบตามทำตามธรรมชาติถ้าจะฟื้นกฟน็ฟื้นทําให้ฟื้น่อไปโดยที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องช่วยรักษาภาย น, นอกเช่อนหลอดอาหารหลอดอะไรต่างๆเครื่องช่วยหัวใจอะไรต่างๆนี่ให้หยุด และให้ร่างกายอยู่ของเขาตามธรรมชาติของเขาถ้าเขาอยู่ได้ก็อยู่ถ้าเขาจะฟื้นก็ฟื้นถ้าเขาไม่ฟื้นก็จะไปก็เป็นเรื่องของเรื่องของร่าง ก, กายไปไม่บาปไม่บาปสมัยพระเจ้าก็ไม่มีเครื่องเหล่านี้ใช่ไหมพระเจ้าก็ไปตามธรรมชาติไป พรอาจารย์ครับหลวงปู่ชานี้ไม่ใช่สายธรรมยุทธใช่ไหมครับอาจารย์เป็นไม่ใช่แต่การปฏิบัติของท่านก็เป็นแบบสายของหลวงปู่มัน่นเพราะว่าท่านเคยไปกราบหลวงปู่มัน่นแต่ท่านบวชเป็นมานิกายแล้วก็ท่านก็ไปไปไปกราบหลวงปู่มัน่นไปศึกษาความธรรมจากหลวงปู่มัน่นแล้วก็มีศรัทธาอยากจะเปลี่ยนนิกายก่เป็นข้อนิยามมาบวชเป็นธรรมยุทธเพื่อที่จะได้อยู่ศึกษากับหลวงปู่มัน่น หลวงปู่บ้านก็บอกว่าเธออยู่ทางนู้นก็ดีแล้วถ้ามาทางนี้หมดแล้วทางนู้นจะมีใครหรือหรือว่าที่จะเป็นผู้ปฏิบัติเ ธ, เธอก็ปฏิบัติได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนิกายไหนอยู่ที่การปฏิบัติท่านก็ศึกษาแล้วก็วิธีนิการที่จะได้ศึกษาไปปฏิบัติ ก, ก, ก็เลยทำให้ท่านไม่ได้เปลี่ยนนิกาย มีครูบาอาจารย์หลายรูปที่เป็นลูกศิษย์หลงหลวงปู่มั่นที่เปลี่ยนนิกายกันก็เป็นมหานิกายในมา ก, ก่อนแล้วพอได้ศึกษากับหลวงปู่มั่นก็เกิดศรัทธาก็เลยถ้าอยากจะอยู่จำพรรษาด่วยมันก็ต้องเป็นนิกายเดียวกันก็เลยเปลี่ยนนิกายกันหลายรูปภาพเทล่าองค์งงที่มีภัษามากๆที่ก่อนหลวงตาเนี่ยมีหลายองค์รู้สึกเป็นเคยเป็นนิกายมหานิกายมา ก, ก่อนแล้วพอได้ พบกับอลวงปูมั่นแล้วก็เกิดศรัท ธ, ธาอยากจะติดตามศึกษาปฏิบัติอย่กัของท่านอย่างกล้ชิดก็เลยเขาได้มนทำญติเปลี่ยนนิกายมันก็เป็นพิธีกรรมทางสงฆ์นั่นเองมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรคนก็คนเดิมอะไรก็เดิมเพียงแต่เปี่ยนเปลี่ยนสมมุติเปลี่ยนชื่ออรนั่นเอง เหมืนผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายก็เปลี่ยนนามสคุลนั่นเองมันก็เป็นคนเดิมเหมือนเดิมจากพี่สมพรครับการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิต่างกันอย่างไรครับ เ, ออเวลานั่งสมาธิเราไม่สวดไงแล้วนั่งสมาธิแ เ, เราดูลองหายใจเข้าออกเพราะมันจะทําให้จิตสงบมากกว่าการสวดมนต์การเสวดมนต์ก็เป็นการาทําสมาธิแบบอย่างๆทาแบบเริ่มต้น เวลาเราสวดมนต์เราก็ควบคุมไม่ให้ใจเราไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆใจก็จะคิดน้อยลงใจงก็จะสนบนงบลงแต่ไม่ถึงระดับที่สงบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากจะสงบร้อเปอร์เซ็นนี้ต้องหยุดคิดเลยน่าต้องใช้การดูลองหายใจเข้าเพื่อที่จะทําให้ความคิดหยุดได้อย่างเต็มที่คุณเดือนเพลนครับเรียนพระอาจารย์จิตเรามีหลายจิตหรือเปล่าเจ้าคะเพราะจิตมีจ แย่งกันครับอ๋จิตมีจิตเดียวแต่จิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์ดีมากอารมณ์ร้ายมากอย่างที่เขาเรียกไบโพล่ร์เขามาพูดไบโพลารบางทีก็เบิกมาบางทีก็ซึมเศร้าบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายอันนี้เรื่องจิตตัวเดียวกันแต่อารมณ์ในจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้ว บ, บ, <c oughs> บางทีเราเรียกอารมณ์นี้เรียบอารมณ์ว่าเป็นจิตไปมันก็เลยสับสนกัน ตัวจิตเองนี่มันเป็นตัวรู้ตัวคิดตัวที่มีอารมณ์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเราก็เอาตัวอารมณ์นี้มาเรียกตัวอารมณ์นี้ว่าเป็นจิตจิตก็เลยมีหลายจิตจิตสงบจิตจิตสงบจิตซึ่งเศร้าจิตอะไรต่างๆยิ่งหมายถึงอารมณ์และจิตเนี่ยที่กายเวทนาจิตก็อจิตตอนนี้ก็คือจิตจิตอารมณ์ไม่ใช่ตัวจิตแท้ๆ ตัวจิตที่ผู้รู้ผู้คิดนี้มีตัวเดียวครับของแต่ละคนแต่ในในจิตผู้รู้เนี่มีอารมณ์หลายอารมณ์มีหลากหลายอารมณ์คุณมาริสาครับกาเบรียนถามพระอาจารย์เรื่องเดินคนเดียวเนื่องจากต้องอยู่คนเดียวให้ได้เพราะสมัยนี้มีคนโสดจากการหย่าร้างหรือคู่ครองเสียชีวิตก่อนเพราะบางคนอยู่กับตัวเองก็ไม่มีความสุข หรือบางคนผูกมัดตัวเองกับคนอื่นทําอย่างไรถึงจะเดินคนเดียวได้อย่างมีความสุขขอพระอาจารย์เมตตาครับก็พุทธเจ้าสอนให้เราหาความสุขอีกแบบที่เราอยู่คนเดียวไยงวิธีหาความสุขแบบคนเดียวก็คือเนี้ยทําบุญทําทานรักษาสีนภาวนาถ้าเราทําได้เราก็จะสามารถมีความสุขจากการทําบุญทําทานรักษาสีนั่นก็ภาวนานี่คือวิธีหาความสุขทางทางธรรม โดยเฉพาะอย่างทีวิธีภาวนานี้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราได้มากที่สุดทำบุญทําทานก็ได้ความสุขบ้างแต่ก็ยังไม่ไม่มากแล้วเราก็อาจจะไม่มีเวลาไม่มีเงินที่จะทํามากแต่การทําบุญไม่จําเป็นจะต้องมีใช้เงินอย่างเดียวบางคนะปเป็นอาสาสมัครก็ได้ถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ไปเป็นอาสาสมัครแทนที่จะ เ, เวลาไปหาความสุขจากจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ไปหาความสุขจากการเสียสละ บุธชีวิตของเราให้กับทําประโยชน์ให้กับสังคมให้กับผู้ก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีให้มีให้เรามีความสุขให้เราอยู่โดยที่เราไม่ต้องมีคนอื่นมาให้ความสุขกับเราความสุขจากการเสียสละแบ่งปันความสุขจากการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ความสุขจากการภาวนาการทําใจให้สงบอันนี้แหละคือวิธีสร้างความสุขอกีกรูปแบบ เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งลาบดยแสงกระแสไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขแล้วอย่างนี้จะทําให้เราอยู่คนเดียวได้คุณคาิษฐาครับถ้าเราไม่สามารถทําสมาธิได้ถึงขั้นต่างๆได้ทําได้แค่ความสงบพอสงบแล้วหลับตลอดเลยค่ะอย่างนี้เราพิจารณาปัญญาเป็นหลักได้หรือเปล่าคะจะสามารถบรรลุโสดาบันได้ไหมคะขอลองทำดูเลย เราเราพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราพร้อมที่จะให้มันตายได้พร้อมที่จะให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลาเจ็บก็ไม่ไม่กลัวความเจ็บอยู่กับความเจ็บได้ถ้าทําได้ก็ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้าเราอยู่กับยอานับความความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ก็แล้กันก็บรรลุได้แต่ยากพี่แต่คิดถึงความเจ็บ ก, ก็กลัวขึ้นมาแล้วทุกข์ขึ้นมาแล้ว ครับิดถึงความตายก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีสมาธิมันมันทําไม่ได้ถ้ามีสมาธิมีโอเบกามันจะเฉยได้แล้วมันจะลับกอบความแก่ความเจ็บความตายได้คุณสิริวัฒนาครับการอุทิศบุญให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วหลังจากสวดนมนต์นั่งภาวนาพ่อแม่จะได้รับไหมครับคือบุญแบบนี้มันยังอุทิศไม่ได้เพราะมันยังไม่สาเร็จ บุญที่เกิดจากการสวดมนต์นี่มันยังไม่สําเร็จผลมันยังไม่เกิดเกิดก็เพียงนิดเดียวมันก็เลยยังไม่ไม่สามารถเอาไปอุทิได้ไม่เหมือนบุญที่เราทําจากการทําทานทําบุญถวายข้าวของเงินทองอันนี้มันเกิดมันสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นเลยสามารถอุทิศได้เลย <Okay. S 1> บุญที่เกิดจากการสวดมนต์นั่งสมาธิเหมือนกับ เป็นต้นมก็เพิ่งเริ่มปลุกต้นในวันนี้แต่ไม่รู้ดอกดอกผลมันจะออกมาเมื่อไหร่แต่ไม่เหมือนกับบุญที่เราจะทำทำบุญทาทางเหมือนกับถั่วงอกเราแช่วไว้คืนเดียวลูกเช้ามันก็งอกขึ้นมาแล้วผลมันเร็วเร็วเช้าเร็วต่างกันงนั้นบุญที่เกิดจากการไ่ว้พระสรดมนตนั่งสมาธินี่ แ, แม้แต่รักษาศีลมันยังไม่สาเร็จเพราะเรายังทาไม่ไม่ครบไม่ครบ ไม่ครบที่จะทําให้มันเกิดผลขึ้นมามันก็ยังไม่เกิดมันก็เลยเไปอุทิศให้ขับใครไม่ได้แต่บุญที่เราบริจากคไปเนี่ยสิบาทก็ได้บุญสิบบาทแล้วอุทิศบุญสิบาทได้ร้อยบาทก็อุทิศได้เพราะมันมันสําเร็จนล้วเราได้เสียสละได้ได้เกิดความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการเสียสละ มีผู้ไม่ประสบออกนามถามครับอาจารย์ว่าถามแบบจากกันตอนเป็นเป็นบ้างนะคะในชีวิตคู่การกระทําใดบ้างที่อีกฝ่ายทําแล้วเราควรต้องจบชีวิตคู่กับเขาคะ่ะส่วนใหญ่ที่เขาเลือกกันก็เพราก็ไม่แฮปปี้ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันไปทําไมไอ้นี่เราต้องไปอยู่กับคนอื่นเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่คนเดียวเราบรรทุกบรรงำเราก็คิดว่าถ้าเราไปอยู่กับอีกคนน้นเราจะมีความสุ ข, ขหายง แต่ถ้าเราไปอยู่กับเขาแล้วแทนที่จะได้ความสุขอย่างที่คิดกลับจะได้ความทุกข์มากกว่าอยู่คนเดียวถ้งนี้เราจะไปอยู่กับเขาทําไมเนี่ยกลับมาอยู่คนเดียวดีกว่าเนี่ยสาเหตุที่ทําให้คนอยา ก, กันเละ ก, กันก็คือเขาคิดว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะมีความสุขแต่พออยู่ด้วยกันแล้วเอ๊ะมันกลับมีความทุกข์มากกว่าอยู่คนเดียวแอ๊ะไม่ได้อยู่อยู่ด้วยกันทําไมช่วไปอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าเลยทุกน้อยกว่า คุณทีราครับปฏิบัติปฏิบัติธรรมโดยพิจารณาความไม่เที่ยงการเกิดดับของทุกทุกสิ่งพิจารณาสิ่งสมมติของโลกความไม่มีตัวตนยังมีข้อปฏิบัติธรรมใดที่สำคัญยิ่งที่จะขาดสส่งไม่ได้ครับก็ก็นี่หละก็พิจารณาแล้วมันต้องทำได้ให้ได้ไม่ใช่เป็นของง่ายไม่ต้องทาถ้าทาทาได้ตามที่พิจารณาก็บรรลุทำได้แล้ว ก็ไม่ต้อจะให้พิจารณาอะไรถ้าเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นสมมุติไม่มีตัวตนเราระวัลละทิ้งไปให้หมดเลยเก็บไว้ทํำไมถ้าไม่มีอะไรเป็นตัวเราร่างกายเราก็สละไปมันจะตายก็ให้มันตายได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บได้ไม่ไปทุกข์กับมันคุณสัมพันธ์ครับกล่าอความเมตตาครับเวลาผมนึกถึงคนที่ทําอะไรไม่ดีกับผมผมโมโหเขามากเลยครับ คิดทุกครั้งโมโหทุกครั้งเพราะเขาทำงานที่เดียวกับผมผมควรทำอย่างไรดีครับก็คิดว่าเหมือนกับลิน่นกับฟันเราอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนเล่นกับฟันบางทีก็มีการาพลาดทับมีการครบกันแต่เราก็ต้องอยู่กันแต่เราก็ต้องทำใจให้คิดแบบนี้ว่าเขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเรา ถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเพราะยังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วเพราะเราในที่สุดก็ต้องก็ต้องเจอความตายเมื่อถึงแล้วเมื่อเขาจะมาให้เราตายก็โอเคบางคนอยากจะตายต้องไปจ้างคนเสียงเงินทองไปจ้างคนมาฆ่าตัวก็าหองให้ตายทำไ ม, มีคนอยากจะฆ่าตัวตายต้องไปจ้างหมอไปประเทศที่เขาอนุ ญ, ญาตให้หมอฉีดยาตายให้ได้นี่เราไม่ต้องไปเสียงเงินนีมีคนมา มามาจัดการให้กับเราทำให้กับเราได้เพราะในสุดทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันพอถึงเวลาจะต้องตายก็ถ้าก็จะทาให้เราตายก็ดีเราก็จะได้หมดปัญหาไปให้จิดแบบนี้เราก็จะรู้สึกอยู่กับเขาได้คุณซีพีครับวัดพรากทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นกรรมลิขิตไหมครับอาจารย์มัน เรื่องการท้าทากจากกันนี้มันอยู่ภายใต้ของสงครามมากกว่าของนิจจากความไม่แน่นอนไม่ใช่เรื่องของกรรมแต่ก็อาจจะมีกรรมมีมาส่วนก็ได้นะกรรมก็คือเราอาจจะมีอะไรกับเข้ามาในอดีตชาติก็เลยทำให้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ได้ คุณมิวสิกครับอยู่ระหว่างคนสองวัยคุณแม่แปดสิบแปดกับหลานวัยสิบสี่ต้องใช้ธรรมะข้อไหนเพราะว่าต่างความคิดเห็นไม่ลงรอยกันค่ะก็ต้องใช้แต่ละคนไม่เหมือนกันคนแปดสิบแปดก็ต้องใช้ธรรมะกับของคนแปดสิบแปดคนสิบสี่ก็ต้องใช้กับธรรมะของที่ใช้กับคนสิบสี่ก็นก่าจความเหมาะสมแต่ก็คือพูดตามความจริงก็ต้องใช้ธรรมะแบบเดียวกันก็คือใช้พร้อมให้หารสี่นี่แหะ ควิหารเสียก็ต้องมีเมตตาให้กับทั้งคุณแม่แปดสิบแปดทั้งร้านไม่สิบสี่คือไม่โกรธเคืองเขาต้องให้อภัยเขาเ่าจะทําอะไรที่ทําให้เราไม่พอใจหรือเสียใจหรือเดือดร้อนก็อย่าไปโกรธเขาให้อภยัยรับถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเข้าไปถ้าเขาเป็นอะไรแล้วเราทําอะไรให้เขาไม่ได้แล้วก็เราก็ทำใจเฉยๆอย่าไปทุกข์กับกับการเป็นไปของเขา ถ้าเราถ้ามันอยู่สุดวิสัยของเราเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วทาได้ท่านี้แต่ก็ช่วยเขาไม่ได้เราก็อยากไปทุกข์ใจของเขา <Okay. S 1> เราต้องใช้พรมมหมลิขิตสีเมตตากรุณามุนีตาอุเบกขา <Okay. S 1> คุณมาริสาครับเนื่องจากตอนนี้มีข่าวสะเทือนใจอย่างมากคนรอบข้างบางคนมีอาการทางประสาทหรือจิตเภทแต่ไม่แสดงออกหรือแสดงออกมาบ้าง อยากได้หลักธรรมที่จะอยู่ร่วมกับคนพวกนี้อย่างปลอดภัยและมีความสุขค่คะก็อย่างที่พูดนะอยู่กับคนก็ต้องมเมตตากรุณามุรินทร์ดาวไปค่ะคุณอมศักดิ์ครับเคยได้ยินมาว่าการนั่งสมาธิถ้าเข้าถึงฌานขั้นสูงแล้วจะเกิดแสงสว่างและสามารถน้อมจิตไปถึงผู้อื่นที่อยู่ไกลและสื่อสารกันได้จริงหรือไม่ครับถ้าได้ขอคําแนะนําในการฝึกครับอาจารย์ คือการฝึกสมาธิเนี่ยจิตสงบเนี่ยบางทีก็มีแสงสวา่างบาทีก็ไม่มีไม่จาเป็นว่าจะต้องมีแสงสวา่างและตัวแสงสว่างเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถส่งไปถึงผู้นั้นผู้นี้ได้แต่จิตที่ที่สงบนี้อาจจะมีความสามารถพิเศษได้สาหรับคนบางคนที่เรียวกว่ามีอภิญญามีอภิญญาก็คือสามารถติดต่อกายเิพได้ แล้วลึกชาตได้เลือกคิดถึงใจของคนอื่นได้พ่ากำลังคิดอะไรอยู่อย่างมีเรื่องเล่าให้ฟังเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านเคยไปไปม่เมกไปภาวนาอยู่ที่แถวนครนายกนั่งเขามีเขาไม่ทราบชื่ออะไรแล้วก็ไปไปพบกับหลวงตารลูบหนึ่งท่านก็ไปภาวนาหลวงตาท่านอยู่ตีนเขาหลวงปู่มั่นท่านอยู่บนเขาตอนเคินหลวงปู่มั่นท่านมี ท่านมีอภิญญาท่านสามารถส่งกระแสจิตมารับฟังความคิดของหลวงตาได้ oh. ก็สมมาแล้วก็ได้ยินกนารรลาาหลวงตากำลังคิดถึงเรื่องครอบครัวอยู่เป็นห่ครอบครัวทางบ้านอยู่หลตอนเชา้า mm. เวลาหลวงตาหลวงปู่มั่นเจอหลวงตาหลวงปู่มัน่นให้เขาพูดเปิดๆว่าไปยุ่งกับครอบครัวเขาทำไมเขาก็อยู่ของข้นดีอยู่แล้ว เราเป็นทั้งปวแล้วมาเอาภาวนาทาใจขอเราให้สงบไม่ดีกว่าผู้ชนีหนงตาตกใจหนีเลยไม่ยามอยู่อยู่ใกล้หลวง ป, ปู่มานเพราหลวงปู่ม่านนี่สามารถอ่านจิตใจของของคนได้อันนี้ก็เป็นอภิญญาที่ได้จากสมาธิที่เรียกอกุปจารสมาธิคุณแพทย์ครับ โยมผ่านการสูญเสียมาหลายครั้งแต่ไม่เคยทำใจได้ยิ่งคิดถึงความจริงข้างหน้าเมื่อไหร่หดหูและท้อแท้เกิดความคิดว่าเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรโยมยังขาดอุเบกขาใช่ไหมคะใช่เหมือนพยายามฝึกสมาธิถ้ายังฝึกสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนฝึกสวดมนต์ก็จะทำใจให้สงบได้ในระดับหนึ่งแล้วหลังจากเสร็จจากการสวดมนต์ก็ลองนั่งสมาธิต่ออย น, นาทีสินาทีไปก่อนก็ได้ และต่อไปใจเราก็จะเย็นเราโดยมีอยู่เบกขามากขึ้นแลวจะค่อยๆรับกับสิ่งต่างๆได้คุณโคโค่แชร์ครับบอกว่าทำใจการจากไปของแม่ในเวลา12ปีในช่วงที่แม่เสียจริงๆทำใจได้เร็วขึ้นและจิตใจเป็นปกติเร็วมากครับทำใจไม่เตรียมตัวให้ตั้ง12ปีมันง่าย พอเจอเหตุการณ์จริงมันก็มันก็ทําใจได้มันซ่อมมานานทําการบ้านมานานพอถึงเวลาก็ทําได้เลยเนีย่ยตัวอย่างตัวอย่างของการฝึกใจไว้ก่อนทําใจไว้ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นซ่อมไว้ก่อนทําการบ้านก่อนพอถึงเวลาทําข้อสอบมันจะทําได้เลยคุณเดมัลติเวอร์ซยูนิตี้ครับอวิชชาเป็นแบบหนึ่งของสังขารไหมครับ ไม่อวิชชาเป็นความไม่ไม่รู้ไงความความโง่เขลาเ่าปัญญาเช่นอนวิชชามันมีหลายทั้งโลกก็มีอวิชชาเช่นคนสมัยโบราณก็ไม่มีเวชาเกี่ยวกับทางด้านดาราศาสตร์ก็ไปคิดว่าโลกนี้แบบ น, นี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นอนวิชชาแบบหนึ่งทางทรรก็คือไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอันนี้ก็เป็นอนวิชชาเราต้่งจะไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าทําให้เราทุกข์ใช่ไหม เจ้นี่มาทวงนี่บ่อยๆเลยทำให้เราทุกข์แต่ความจริงมันเป็นความอยากของเราไม่อยากจะจา่ายไม่อยากจะไม่อยากจะใช้นี่มันก็เลยทุกข์เวลาเข้ามาทวงนี่ก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรายินดีที่จะใช้นี้เข้าเวลาเจ้านี่มาทวงนี่เราก็ไม่ทุกข์เราก็หยิบเกินให้เข้าไปมันอยู่ที่อยู่ที่ความอยากของเราแต่หนะไม่ใช่อยู่ที่คนน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เรียกเอาวิชาโทษ จัผิดคนอื่นตัวตัวที่ผิดคือตัวตัวความอยากแต่ไปโทษคนอื่นเขาเรียกว่าจับผิดอวิชาไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของเราคุณเอมบอกว่าการเสียลูกชายด้วยอุบัติเหตุมันเศร้ามากแล้วยิ่งฝันเห็นเขายิ่งเศร้าต่อเนื่องเจ้าค่ะเนื่องจากเขเพราะว่าเราไม่เคยพิจารณาอนิจจ์ความไม่เที่ยงแค่แน่นอน ของชีวิตว่าทุกชีวิตจะต้องมีวันสิ้นสุดลงแล้วก็จะเราก็ไม่มีความสงบพอที่จะรับความจิดอันนี้มันก็เลยเศร้าทุกครั้งที่คิดถึงมันคุณทิติยาครับเราควรจะบอกคนใกล้ชิดให้คิดถึงสิ่งใดเพื่อให้สงบในวาระสุดท้ายของชีวิตครับเราจะบอกคนใกล้ชิด อยู่ที่ว่าเขาถามเราก่อนหรือเปล่าว่าจะให้เราบอกอะไรให้เขาฟังอันนี้นการที่เราจะไปสอนใครนี่มันต้องอยู่ที่ว่าเขาเขาเขาต้องการให้เราสอนเขาหรือเปล่าเราสอนเรารู้หรือเปล่าว่าควรจะสอนอะไรเขาถ้าเราไม่รู้ก็อย่บอกเ้าเราไม่รู้ไปก็หมดเรื่องจะมาถามเราได้ไงใช่ไหมอันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปศึกษ า, าเองว่าจะสอนอะไรเขาดี อ่า น, นี่พูดแบบกว้างๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงครับคุณอ่อนครับในวันที่ต้องพลัดพรากจากกายของตัวเองซึ่งจิตผ่านการภาวนาจนรู้ว่ากายไม่ใช่เราแต่ยังแจ้งพอที่จะทิ้งกายได้จริงถ้าต้องทิ้งกายในขณะที่ใจไม่พร้อมจะต้องวางใจอย่างไรคะถ้าไม่พร้อมวางใจไม่ได้ทำทามันไม่พร้อมมันก็ทุกข์เลย ก็ต้องพยายามทําใจให้สงบให้ได้ถ้ามันยังไม่พร้อมในขนาดนั้นก็ต้องพยายามทำสมาธิพุโทโธพุโทโธบริกรรพุโทโธพุโทโธไปทําใจให้น่ ง, ง, งี้สงบายสงบมันถึงจะวางเฉยได้พุโทโธสู้ไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับครัพุโทโธอย่างเดียวเลยครับคุณปิยรัตน์ครับนั่งสมาธิจนเหน็บชาตัวเริ่มแข็งควรเปลี่ยนอิยาบทหรือควรสู้กับเวทนาเพื่อสร้างขันติครับอาจารย์ คือการนั่งสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบจิตจะสงบได้ก็ต้องนั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบถ้าจิตยังไม่สงบเริ่ไปเปลี่ยนนิรยาบวด์ก็เหมืการเริ่มต้นใหม่ก็กลับไปเริ่มต้นที่สุดใหม่แล้วพอมาเจอความเจ็บก็ก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปคือความสงบถ้าอยากจะให้จิตสงบก็ต้องนั่งต่อไปแล้วก็อยากไปสนใจกับความเหียอชาให้เรามาอยู่กับคําบริีกับ หรือว่าคำบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราบริกรรมไปได้ทั้ระยะหนึ่งจิตก็จะสงบแล้วก็ผ่านวทนาได้มิธีวิทวทนาค็า จ, จะหายไปถ้าไม่หายมันก็ไม่ทําให้ใจเราวุ่นวายไปกับมันเราสามารถอยู่กับเวทนาได้ต้องอาศัยคมบริกรรมเมื่อเวลานั่าไปถึงคิดแล้วมันตัวเรื่องแข็งเรื่องเรื่องการเจ็บปวดขึ้นมาอยากจะเป็น่นระยะหยาบยาไปเปลี่ยน หยุดความอยากเปลี่ยนทิยาบทเพราะมันจะทําให้ใจเราเครียดหยุดมันด้วยการบริกรรมพูดโทพูดโทให้ให้ใจอยู่กับความเจ็บต่อไปแล้วเดี๋ยวสักพักใจก็จะเน่งสงบแล้วก็จะไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บของร่างกายสา ม, มารถอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้นั่นจะรู้สึกว่าความเจ็บของร่างกายนี้มันน้อยมากแต่เห็นว่าความเจ็บส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใจเกี่ยวกับความอยากที่จะเปลี่ยนทิยาบทนี้ คุณเด็กน้อยครับถ้าผ่านทุกขเวทนาและความกลัวตายคือบรรลุโสดาบันถ้าผ่านการมาราคะคือบรรลุอนาคามีถ้าคนที่ยังผ่านทุกขเวทนาไม่ได้จะใช้การดูอสุภาพบ่อยๆให้บรรลุอนาคามีไปเลยเป็นไปได้ไหมครับก็ลองทําดูเลยเราไม่รู้เหมือนกันนะส่วนใหญ่เขาเขาเขาไม่ได้ทําแบบนั้นกันแต่ถ้าทําได้ก็ทําไปอยู่คุณเกี่ยวครับ ทำไมคนส่วนมากอยากเกิดแต่ไม่อยากตายครับผมงงกับความคิดเขาเกิดมาตายก็อยากเกิดเพราะความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายนี่จึง ท, ทำให้เรา<ม><ม>อยากมาเกิดกันเพราะเรามีร่างกายเราก็สามารถที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขได้เราก็เลยไม่อยากให้ร่างกายตายใช่หมเพราะม่อร่างกายตายเราก็ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขได้ ร่างกายนี่ก็เป็นเหมือนเงินอย่างยกตัวอย่าง ก, ก็เป็นเหมือนเงินทุกคนอยากจะมีเงินกันนะมีเงินก็จะได้เอาเงินไปใช้แั้ก็ไม่อยากให้เงินหมดใช่ไหมอย่างใช้เท่าไก็ไม่หมดครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเมื่อมีแต่ใช้อย่างเดียวไม่หามามันเดียวไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องหมดอยู่ร่างกายก็แบบเดียวกันใช้ร่างกายไปได้เรื่อยทุกวันหนึ่งมันก็ต้องเสือ่อมต้องจบแต่เราไม่อยากให้มันจบเราอยากจะไปต่อ ริงานงานเลี้ยงเขามป็นคำพูดงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดแต่คนที่ไปการเลี้ยงนี้ไม่อยากให้การเลี้ยงมันจบอยากจะให้มันต่อไปได้เรื่อยคแต่มันก็เป็นแต่มันฝืนหลักความเป็นจริงไม่ได้หลักความเป็นจริงก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มันไม่ถาอรมันไม่ไม่ไม่ยาวนานมันจะต้องมีวันสิ้นสุด คุณวิจิตครับถ้าสมมติว่าเป็นโรคร้ายมีโอกาสหายได้แต่น้อยโดยต้องแลกกับความทรมานจากการรักษาเช่นต้องใช้รังสีถ้าเราปฏิเสธการรักษาอย่างนี้ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายไหมครับไม่หรอกก็มันเป็นแต่การปล่อยให้ร่างกายัน <c oughs> มันอยู่ตามสภาพของมันเราไม่ได้ไปทําให้มันตายมันตายเพราะว่ามันอยู่ของมันไม่ได้เองคุณนิพาวันถามว่าคนที่นิพพานไปแล้วจะไปเจอกันที่นิพพานไหมคะ นิทานนี้ก็มันเป็นสภาพจิตที่อยู่ในความสงบเมื่ออยู่ในความสงบแล้วก็ไม่มีความปรารถนาที่อยากจะไปเจอใครอยู่ดี่อาจารย์คะคำถามนี้พระอาจารย์เมตตาพิจารณาก่อนได้นะครับขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประสบการณ์ตรงที่ผัดภาคจากคนที่เป็นที่รักที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามได้ไหมคะพัดภลาดจากคนที่เป็นที่รักที่สุดไม่ถึงไม่ถึงประสบการณ์ตรงมาบ้างของพระอาจารย์เองครับถามเรื่องส่วนตัวครับอาจารย์ ก็อย่างที um> ่พูดเนี่ยก็ขออภัยตั้งแต่เริ่มเห็นคนตายมามันก็พคิดจินตนาอยู่ทุกวันยังก็นั่งมันเฉยๆกับความผาดผ่ากกันเวลาคนที่รักตายไปก็เฉยๆหมดเวลาย่าตายไปก็เฉยเวลาพ่อตายไปก็เฉยเวลาแม่ตายไปก็เฉยคุณแรนดอมโทสครับถามเวลาผมละเมอหรือฝันทําไมมีคนเรียกผมทุกครั้งครับ มีคนจริงๆมาเรียกนี้่าเป็นเป็นคนที่เราคิดขึ้นมาในใจเราไม่แน่ใจคาถามนี้ถ้าเรานอนกับคนอื่นแล้วเรามาแล้วฝันก็อาจจะนั่เมอาจจะอาจจะทำให้เขาลำคาหรือแบบาเลยปลุกเลยใช่ไหมปลุกเลยปลุกอะไรปลุกก็โดนปลุกบ่อยครับเวลากรนคุณพาณิชย์ครับ การนั่งสมาธิและทําบริกรรมพุทโธกับสวดมนต์สิ่งไหนได้รับกุศลมากกว่ากันเจ้าคะคือมันมันวิธีที่จะทําใจให้สงบเสียง แ, แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนใช้คําบริกรรมพุทโธก็ทําให้จิตเป็นสมาธิได้บางทีก็ต้องใช้การเดินลมหายใจเข้าเพื่อทําให้ใจเป็นสมาธิได้เน้นแต่ละคนนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่คนก็อาจจะได้เหมือนกันคือความสงบได้กุศลเท่ากัน เจ้าใจสงบแล้วมัน ก, ก็ได้กุศลเท่านั้นพี่สมพรบอกว่าการปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์สายพระป่าจะมีข้อปฏิบัติแนวเดียวกันอยากทราบข้อปฏิบัติหลักๆของพระอาจารย์สายพระป่าครับก็คือดงกัมวัตที่เคยเล่าให้ฟังแล้วการบินตบาตเนี่ยเป็นกิจวัต ร, รที่ท่านถือเป็นหลักเลยพอพูดเจ้าสอนมาตั้งแต่วันบวชเลยนะคุณหมอใครบวชหรือเปล่าเคยครับอาจาบวชแล้วพอบวชเสร็จจะสอน นีษอนุสาคือสิ่งที่พระควรจะพึงปฏิบัติอยู่แปดข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผ้าป่าหรือผ้าอะไรทั้งสิ่งก็คือสี่ข้อที่ต้องปฏิบัติก็คือหนึ่งต้องบิณฑบาตเลี้ยงชีพไปตลอดชีวิตสองถือผ้าบางสกุลคือใช้ผ้าเก่าพูดง่ายๆไม่ต้องไปหาไม่อยากไปยินดีกับ้าใหม่ให้ยินดีกับผ้าเก่า สมัยก่อนก็ผ้าเก่าก็คือผ้าห่อศพนะครับนี่เป็นจีวรแล้วก็สามก็อยู่ตามคนไม้ ก, ก็คืออยู่ตามมีตามเกิดอยู่ที่ไหนก็ได้ให้อยู่ในป่าส่วนใหญ่อยู่ตามคนไม้ให้ไปอยู่ในป่าสี่ให้ฉันยาดองน้ำมูดเป็นยารักษาโรคสมัยโบราณเขากินยาดองกัน น้ำที่ยดองกน้ําน้ำที่ยดองอยาดีที่สุดก็คือน้ําปัสสาวะนี่เ <Okay. S 1> อะไรนี่ยอมใช้ใช้ยาดองน้ําน้ํามูลเป็นเวลารักษาโรคโรคสามันเช่นปวดท้องเจ็บซีปวดทัปวทปวดอะไรอย่างตา่ำก็เหลืองพวกที่เข้าไปนั้นมันก็จะช่วยบรรเทาได้ <Okay. S 1> นี่คือสิ่งที่พระควรจะปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระป่าเลยสมัยก่อนก็เป็นพระป่าทั้งนั้นสมัยที่พุทธเจ้าส่ง ทรงทรงเป็นบุคชาตทงทรงสอนพวกที่มาบวชท่านก็สอนสี่ข้อนี้แล้วก็แล้วก็สรงสอนอีกสี่ข้อที่ปิดที่ไม่พึงปฏิบัติก็คือปาราชิกศีคือไม่ให้เสษเมทุนไม่ให้ฆ่าไม่ให้ฆ่ามนุษย์ไม่ให้นักทรัพย์แล้วก็ไม่ให้อวดอุตริคนคนวิเศษที่ไม่มีในตนอันนี้เป็นสิ่งที่พระทุกรูป ซึ่งสมัยก่อนก็เป็นพระป่า ท, ทั้งนั้นแล้วก็เป็นเสียงที่พระป่าท่านยึดเป็นแนวปฏิบัติกันอันนั้นฉะนั้นก็ยังมีข้อทูดงวัตอีก13ข้อที่สามารถที่จะพระป่าจะเอามาใช้กันแต่จะไม่ได้ใช้ทีเดียวทั้งหมดทั้ง13ข้อเลือกใช้ได้พระป่า ท, ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือฉันในบาทอันน<ช>ี้มั็นทูดงขวัตฉันมือเดียวฉันขรังเดียวอันนี้ก็เป็นทูดงขวัต เพราะวีนายไม่ห้ามถ้าไม่ไม่ถือธุดงคาวัดนี่ไม่ฉันได้บาตรก็ได้ฉันในจานในชามอะไรก็ได้นั่งโต๊ะจีนก็ได้ถ้ากามีเงินไปนั่งโต๊ะจีนก็ได้แต่ถ้าถือธุดงคาวัดนัานไปไม่นั่งโต๊ะจีนไม่ได้ถ้าฉันได้บาตรก็ต้องเอาบาตรไปตั้งไว้บนโต๊ะจีนแล้วก็ฉันมือเดียวถ้าไม่ถือธุดงค้าข้อฉันมือเดียวก็ฉันได้หลายมือแต่ไม่ให้ฉันหลังเพลงเท่านั้นเอง อานนี้ต่างกันตรงนี้ญาป่าจะจ ะ, จะถือตุดโดขวัดเป็นเป็นส่วนใหญ่โดยจะถือมือเดียวจะฉันมือเดียวฉันในบ้านแล้วก็บางบางแห่งก็จะไม่รับอาหารหลังจากที่กลับมาจากวินตาบานแล้วจะไม่รับอาหารที่ญาติโยมตามมาถวายที่วัดเพราะต้องการที่จะรับประทานพอพอไม่มากเอาเอาพอยินดีกับอาหารที่ได้จากวินตาบานก็พอ อันนี้ก็เป็นประวัตปฏิบัติของพระป่าแล้วก็อยู่อยู่ก็อยู่อยู่ตามอยู่อยู่ตามคนไม้อยู่ตามตามเนื้อผาอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกอันนี้เป็นเป็นคุณสมบัติของพระป่าแล้วก็ปฏิบัติจิตตภาวนานเป็นหลักงานของงานหลักคือ ง, งานภาวนาน ไม่เอางานก่อสร้างไม่เอางานบุญบางสามส่วนนไม่รับกิจนิมนต์ไม่ไม่รับงานบุญนิมนต์ไปงานบุญต่างๆก็ไม่ไปไม่รับบางสกุลไปสวดศพก็ไม่ไปไม่รับสังฆทานเวลามาต้องมีพิธีถวายสังฆทานกันก็ไม่เอาไม่รับไปสวดการศพอุศลาธรรมาอุศลาธรรมาอ่นี คือไม่ทําพิธีกรรมหนักๆทำศาสนาแต่เน้นในการปฏิบัติจิตตภาวนาเพียง อ, อย่างเดียวกับทุดงควรัตพระเหล่านี้ท่านหนึ่งเรียกว่าพระธุดงกรรมฐานเนี่ยสายหลวงปู่มั่นเนี่ยมีหนังสือปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหรือพระป่าพระป่าเนี้จะเรียกว่าพระธุดงเพราะถือทุดงควัดแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐาน เล่มนี้ผมเคยอ่านครับอาจารย์ผมอ่านไฟแรงมากเลยครับอาจารย์ได้ได้ได้กำลังมากเลยครับอาจารย์ครับรู้สึกว่าคุณล้านเคยพิมพ์แจกหลายครั้งแล้วนะถ้าใารสนใจลองถานคุณล้าดูก็น่าถ้าอยากจะไปอ่านกันเดีเพราะท่านจะสอนวิธีปฏิบัติของพระป่าเลยพระป่าท่านกินอยู่อย่างไรเนี่ยจะอยู่ในหนังสือปฏิปทาพระทุนดวงปฏิปทานอกจากนั้นท่านก็จะประวัติของครูบาอาจารย์บางเล่มมาลง โดยบางทีท่านก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยนาะมถึงท่านเพราะท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านก็เลยแต่เอาปฏิปทาของท่านมามาม า, มาสาธิตให้ให้พวกเราที่ยังไม่รู้วิธีปฏิบัติถว่าท่านทรมาร ต, ตัวท่านอย่างไรในการปฏิบัติพ อ, อก็เดินเดินกลมในป่าในที่มืดตอนค่าคืนบ อ, องก็มานั่งอที่นั่งนิ่งผาท่าบนท่าเผลอเมื่มอไหร่ก็หัวเท่มลงตกตกเข็มไปเลย ก็มีก็ไปนั่งภาวนาตามให้มีมีมีเสือเดินผ่านตอนเชา้าตื่นขึ้นมาดูโอ้ยรอยอยเทา้าเสือเต็มรอบแค่ที่นอนอยู่ก็มีท่านบอกหนังสือเรื่องนี้ถ้าอยากจะสนใจวิวิการปฏิบัติของพระป่ามีอะไรลองค้นหาดูไปดาวโหลดใ น, ในในในในเว็บไซต์ของหลวงตามาหาบัวก็ได้หรือเว็บไซต์ของเราก็ได้ จะเป็นหนังสือปฏิปทาพ่ทุ น, กนมกรรมฐานให้ไปดาวหัวอัมานได้คุณพนพครับขอโอกาสครับผมทำอาณาปานสติแต่ไม่เคยมีสภาวะตกหลุมตกบ่อหรือวูบลงแต่อย่างใดเลยครับมีบ้างคล้ายความรู้สึกว่าร่างกายนิ่งหายไปผมไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือไม่หรือไปต่อแก้ไขอย่างไรบ้างครับเพราะที่ยังไม่ได้ผลวพาะสติเรายังไม่ต่อเนะี่ยสติเรายัง ได้แค่ได้กำลังไม่พอที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องพยายามฝึกสติให้มีมากขึ้นไม่ใช่แต่จะมาทําตอนที่เรานั่งอย่างเดียวเราต้องฝึกสติทั้งวันเลยถ้าเป็นไปได้คอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดการจะเข้าสมาธินี้ไม่ใช่เรื่องของงา่ายขณะภพักที่ไม่มีภากที่มีเวลาจลัดสรรสติทั้งวันทั้งคืนบางทียงเข้าสมาธิกันไม่ค่อยได้ก็มีอ มันยากไม่ใช่ของง่ายแต่มันไม่ใช่เป็นของสุดวิสัยแต่จะต้องอาศัยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาเท่านั้นถึงจะสามารถทำใจให้รวงลงตอกวูบลงไปได้คุณธนิ t าครับกับเรียนถามพระอาจารย์บอกว่าในทางกลับกันถ้าเราเป็นโรคร้ายระยะสุดท้ายและร้องขอกับแพทย์ไม่รับการรักษา ใ, ใดๆเพียงของยาระ ง, งับเจ็บปวดเพื่อให้สงบ ละงับเวทนาจนหมดลมได้ไหมคะได้ได้ก็เป็นชีวิตของเราแพทย์เขาก็อยู่ที่เราถ้าเราไม่องการรักษาเราขอกลับบ้านกขาไล่เรากลับบ้านขอยาแก้ปวดเขาก็าให้ยาแก้ปวดไปแต่ถ้าเป็นไปได้ใชใ้ใช้ธรรมะองค์สดได้ยิ่งดีอย่าไปใช้ยาแก้ปวดเลยอาจจะมรรูุธรรมก็ได้เอาการเจ็บปวดนี้เป็นข้อสอบฝึกสติสมาธิทาใจให้นิ่งให้สงบ ให้อยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้ถ้าอยู่ได้มันก็ผ่านได้ต่อไปมันก็จะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปพบหน้าช้าหน้ากรรมมาเกิดก็จะไม่กลัวเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วดของร่างกายถ้ายังไปไม่ถึงพันนิพพานคุณวีนาครับกราบขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่คนเราทุกไม่ว่าเรื่องอะไรแก้ไขได้ด้วยการท่องพุทโธเพื่อเจริญสติอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะ ไม่ใช่หรอกมีวิธีหนึ่งก็คือวิธีของปัญญาการแก้ไขด้วยการจัรังสติพุโทโธนี้เป็นการระงับชั่วคราวท่านหนยังไมยง่ยังไม่ได้แก้ปัญหาอย่างทาวอวิธีจะแก้ปัญหาอย่างทาวอต้องใช้ปัญญาคือพิจารณาสิ่งที่เราทุกว่ามันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เช่นเราทุกกับแฟนแฟนก็อยากจะทิ้งเราแล้ว เ, เราทุก เราต้อพิจารณาว่าแฟนนี้เป็นอนัตตาเป็นเหมือนสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้เป็นเหมือนฝนฝนฟ้ากาศฝนมันจะตกเราก็ห้ามมันไม่ได้ฝนมันจะหยุดก็สั่งให้มันไม่หยุดไม่ได้แฟนที่อยู่กับเราหรือจะไปเลิกก็ไปสั่งเขาไปไม่ได้ถ้าเรามองเห็นเขาว่าเป็นอนัตตาได้แล้วก็ยอมรับว่าก็อยากเลิกไปก็ไปก็อยากจะมีใหม่ก็ปล่อเข า, ปเขาไป เราก็จะไม่ทุกข์กับเาอันนี้ต้องใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาเป็นถ้าสามารถมองสิ่งต่างๆที่เราทุกข์ว่าเป็นสภาวะธรรมที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้เราก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้เป็นไปอะไรจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเช่นร่างกายเราจะตายเราก็พิจารณาว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันจะตายเราก็ห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตาก็ปล่อยให้มันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับความตายของหน้าตายได้ อันนี้เป็นขั้นของปัญญาถ้าเป็นปัญญาแล้วมันจะแก้ความทุกข์นี่ได้อย่างถาวรต่อไปจะไม่กลัวปัญหาแบบเดียวกันอีกต่อไปพอจะรู้จักวิธีแก้แต่ถ้าแบบสติพอจเจอปัญหาแบบเดิมก็ต้องมาพุโทโธพุโทโธใหม่อีกถ้าพอเราหยุดหยุดพุดโทโธพอไม่มีสติปัญหาอันั้นก็จะกลับมาใหม่อาจารย์ครับอย่างนี้ปัญญานี่ก็คือข้ามภพข้ามชาติไปเลยใช่ไหมครับ ใช่มันมันจ้าปัญหาค้าไปเลยมันเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ที่ใจแล้วใจพอพบหน้าไปเจอประหาเดิมมันก็ไม่ทูกกับมันแนละ้วเพราะรู้วิธีวิธีแก้แล้วแต่ถ้าเป็นถ้าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าเคยใช้สติก็กต้องใช้สติกแก้ไปเรื่อยๆแล้วสตินี้ก็ติดข้ามพบข้ามชาติด้วยไหมครับไปด้วยเหมือ น, นกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ก้อย่างท้าวอนครับวับนนั้นที่ไม่มีสติความทุกข์นั้นก็จะกลับมาใหม่ทันที แต่ถ้าเป็นปัญญานี้พอแก้แล้วแล้วความทุกข์นั้นจะไม่กลับมา อ, อีกต่อคุณปุ้ยครับวันนี้ขอโอกาสสอบถ า, ศารรมเรื่องการนึกถึงความตายคะ่ะอันนี้คือระลึกว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องกลัวหรือว่าคือ น, นึกถึงกฎไตรลักษณ์ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่เราก็ดับไปเราก็เหมือนกันคะก็ได้ทั้งนั้นนะอย่างพระเจ้าสอนพระ อ, อ, อนุว่าอ น, อนุเธอต้องนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งเนี่ย ทานเงินก็บอกว่าละสี่ห้าครั้งพรเจ้าบอกไม่พอหรอกเธอยังเธอยังทําน้อยไปเธอยังประมาทอยู่วิธีที่ไม่ประมาทก็คือเธอตัอง้งระลึกทึกลม ห, หายใจเข้าเช่นหายใจเข้าแล้วถ้าไม่หายใจออกก็ตายให้คิดอย่างนี้หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายให้คิดอยู่ขับทุกลมหายใจนี้เพราะความตายมันเกิดขึ้นได้ทุกลมหายใจจนกระทั่งมัน มันมันมันับได้มั น, ม, นมันไม่ลืมเยป้าหมายก็คือไม่ให้เราลืมความตาย น, นะไรพอถ้าไม่ลืมนลเวลาตายมันจะไม่ตกใจเพราะมันรู้ว่ามันต้องตายแต่ถ้าลืมปั๊บพอจะตายมันตกใจขึ้นมาตื่นขึ้นมาตื่นต่ตื่นตะห น, น, นอกขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าไม่ลืมทุ่งลมหายใจเข้เาออกแล้วจะไม่มีเวลาที่เราจะตปลีตยนตนอก คุณนันประภาสครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลานอนถ้ากําหนดลมหายใจโดยรู้ลมที่ท้องไปเรื่อยๆจนหลับอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับก็เป็นการนอนหลับมันไม่ได้เป็นการภาวนาเป็นยานอนหลับได้ใช้เป็นการภาวนาให้ใช้เป็นญานอนหลับได้แต่ผลที่เกิดจากสมาธิมันไม่เกิดการนอนหลับนี้ไม่ใช่สมาธิเข้าใจไหมเพราะไม่มีสติไม่มีการรับรู้ตอนนั้นเวลาหลับนี้ไม่มีสติ แล้วใจก็ไม่ได้สงบเวลานอนหนะลับเมือที่ฝันต่อไปได้คุณปิยรัตน์ครับเมื่อวานเพิ่งเกิดอุบัติเหตุรถชนค่ะแต่ไม่เป็นอะไรเลยตอนนั้นมีสติเห็นทุกอย่างไม่ค่อยตกใจค่ะคิดว่าวินาทีชีวิตนับเดียวเท่านั้นถ้าตายก็คงตายแต่กลับเป็นห่วงครอบครัวมากกว่าค่ะกลัวเขาทําใจกันไม่ได้ถ้าเราเป็นอะไรไปก่อนครับก็ <c oughs> เขาจะทำใจได้ไม่ได้ก็เรื่องของเขาแล้วเราไปห่วงเขาทาไมเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไปไปไปบังคับเขาได้ให้เขาทําใจหรือไม่ทําใจเราจะไปรู้งไงบางทีก็อาจจะดีใจเวลาเราเราจากเข้าไปก็ได้ถ้าเป็นที่น้องแย่งบอลโดด ก, กันก็ตายไปคนก็ดีบอลโดด ก, ก็ได้ก้อนใหญ่ขึ้นการแบ่งอลดดก็จะเป็นก้อนใหญ่ขึ้น อาจจะไม่รู้สึกเสียใจอะไรกับการตายของเราก็ได้แล้วเราไม่รู้แหละว่าคนคนนึ่นเขาจะคีดยังไรกับความตายของเราแค่เราไม่ต้องไปกังวลเราอย่าไปกลัว<อ>คุณพันธิว่าถามว่าหลวงพ่อมาตินกับหลวงพ่อดิก๊กเคยมาส น, นทนาธรรมกับพระอาจารย์ที่เขาชีโอนบ้างหรือเปล่าครับเคยพบกันทั้งสององค์หลวงพ่อมาตินก็เกิดแวะมาหลวงพ่อมาตินก็เกิดมาทํา ท่านมัณษาสูงกว่าพระอาจารย์ไหมครับท่านเล็กอ่อนกว่าสองมัณฑะแล้วท่านมาตินอ่อนกว่าหลายมาณฑไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะเราออกมาก่อนออที่ท่านพระมาตินจะไปอยู่ที่วัดป่าบันจากรคุณนิระวันครับเรียนถามพระอาจารย์ครับพระเจ้ามุ่งปฏิบัติสิญปดฝึกทําทีละข้อทําได้ไม่ผิดใช่ไหมเจ้าคะเมื่อเริ่มฝึกใจเริ่มภาวนาเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องมากขึ้นและพยายามฝึกทานมื้อเดียวทุดงควัต ขอฟ้าอาจารย์ให้คาแนะนําสั่งสอนด้วยเจ้าค่ะก็อยู่ที่กําลังของเราว่าเราจะรักษาสิ่งไดกี่ข้อเราก็รักษาไปตามกําลังของเราก็เหมือนยกน้ําหนักเราจะยกทีเดียวแปดสิบกิโลเราอาจะไม่ไหวกอาจจะเริ่มที่สิบกิโลก่อนแล้วเพิ่มเปนยี่สิบกิโลสามสิบกิโลไปการรักษาสิลก็แบบเดียวกันโอเคเราอย่าไม่มีกําลังพอที่จะรักษาทีเดียวได้หมดทั้งแปดข้อแล้วก็รักษาข้อที่เรารักษาได้ไปก่อน แล้วก็พยายามมาพยายามรักษาข้อที่เรายัางไม่ได้หล่กไปคุณวันชัยครับขอโอกาสครับพระอาจารย์เราควรสวดมนต์นั่งสมาธิเวลาไหนมากที่สุดครับเคยได้ยินแต่ว่าให้สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนเข้านอนแต่ก่อนนอนนี้จะง่วงมากทําให้เวลาสวดมนต์จะรู้สึกหมุดหงิดมากเพราะง่วงนอนควรเปลี่ยนไหมครับถ้ามันมันง่วงก็สวดไม่ได้ก็ต้องหาเวลาที่ไม่ง่วงสวดแทน อย่าไปอย่าไปสวดตอนที่นรารับประทานอาหารเสร็จเนี่ยมันจะทําให้เราง่วงสวดตอนที่มันหิวดีว่แหลแล้วถ้าสวดตอนที่หิวมันก็ไม่มีสมาธิที่จะสว ด, ว อ, ดอีกเพราะฉช่แ้วกันอยากกิดเนยมันลำากครับวิธีฝึกสมาธิจริงๆนี่มันไม่ใช่เป็นของมของง่ายมันต้องเอาแบบฝึกทั้งวันอนะดีที่สุดเอาเอารอาวันที่เรามีเวลาว่างจากการ ทำภารากิจการงานต่างๆแล้วเอาวันพระสักวันอย่างนี้ยเป็นวันที่เรามาฝึกนั่งสมาธิเอามันทั้งวันเลยฝึกมันนั่งกอนไหนก็ได้ทั้งวันเลยสําหรับกับการเดินจงกรมทั้งม่วงก็เดินถ้าถ้หายหายง่วงแล้วแล้วก็เมื่อยจากการเดินก็มานั่งยทํามันทั้งวัน ท, ทั้งคืนเลยมันจะต้องได้อะไรบ้างแต่ถ้าจะมาทําแต่แบบวันลนิดวันหน่อยนี่มันไม่ค่อยได้เป็นกอ่อบเป็นกลับเท่าไหร่ พระเจ้ามันมีกําหนดวันทระให้พวกเรามันเช่นวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่พระเจ้าบอกอย่าไปทําภารกิจอะไรทางโลกเลยทางหน้าโยชน์จะรสนุ่ให้มาทําภารกิจทางธรรมให้มันเดินโยมนั่งสมาธินัน่ง ต, ตื่นจนหลับอย่างนี้ลองทํำดูสักวันหนึ่งมันจะมันจะจะได้ผลดีกว่าคุณสีริินทร์ครับบ้านปลูกมะม่วงและพืชผักส่วน ส่วนแล้วเวลาคนอื่นมาขอลูกก็จะบอกให้เขาเก็บกินได้เลยค่ะแบบนี้ลูกน่าจะอุทิศบุญให่พ่อแม่ได้ไหมครับเพราะที่ดินหนึ่งของพ่อแม่ครับได้ได้อันนี้ก็เป็นของที่เราให้เขาไปเวลาเขาเอาไปกินล้วก็ให้เขาได้กินแล้วก็มีความสุขแล้วเราก็แบ่งความสุขนี้ให้กับผู้ที่รวงละไปล้วได้ พระอาจารย์ครับเห็นพระอาจารย์บินจ่บาทแล้วตอนเช้าเช้าทีนี้คนมารับอาหารมากขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับอาจา<ด>รย์เห็นเป็นเยอะเลยคนชาวบ้านคนที่ยากจนทั้งหลายพอเขาทราบว่ามีอาหารแจกาากันเข <c oughs> าก็เลยมาวันนี้คนใส่บาตรเกือบกร้อยคนาห้ารอ้อยเก้าสิบเจ็ด้อเสิบเจ็ดเอ๊ะวันนี้เป็นวันพิเศษอะไหรหรือเปล่าคับคันค้าด้วยมันพระสวามีเป็นตรงกัน ก็เลยมีคนสองกลุ่มคนที่ใส่บาทประจําวันอาทิตย์แล้วคนที่ใส่บาทประจําวันวันพระก็มาเจอกันเลยเป็นวันสองวันมารวันเดียวกันผมถ้าเป็นวันพระถ้าเป็นวันเสาร์ธรรมดาคนก็จะไม่ไม่ไม่ไม่ได้ประมาณสักครึ่งวันสามร้อยเช่นเมืวันนี้วันเสาร์ก็สามร้อยสามร้อยกว่าแต่พอวันนี้เป็นทั้งวันพระด้วยเป็นทั้งเป็นวันอาทิตย์ด้วยมันก็เลยเป็นเหป็นวัน ที่มันหนึ่งสองวันมามามาซ้อนกันคนก็เลยมาสองกลุ่มเนี่ยคนที่ใส่บาตรประจําวันพระเขาก็มาคนที่ใส่วันประจําวันอาทิตย์เขาเข้ามาก็เลยได้คนเยอะหนึ่งคนที่มารับทานก็เยอะวันธรรมดานี้คนที่มารับทานก็น้อยเพราะมันอาหารมันมน้อยครับเขารู้เดี๋ยวนี้เขารู้กันถ้ามันวันไหนเป็นวันเสาร์ที่เป็นวันพระหรือเป็นวันเทศกาลนี่จะมีของเยอะเขาก็จะมา มากมากันเยอะคนแถวนั้นนี้ไม่มีทางอดเลยนะครับอาจารย์ก็ไม่แน่หรอกมันก็แค่วันมือเดียววันเดียวแค่นี้วันเดียวก็ไม่ทามว่าเขาก็มุกมอจะช่วยบรรเทาได้หรอสําหรับคนที่อดอยากจริงจรคนที่ไม่มีที่ไปครับคุณอนุชิตครับบอกว่าเมื่อครู่ได้ฟังจิตมีอารมณ์พิจารณากายมีเวทนาพิจารณาจิตและธรรม คำว่าทำนี่คืออารมณ์ของจิตใช่หรือไม่ครับทำนี่มันหมายถึงคุณธรรมที่มีในจิตของเราเช่นสติปัญญาหรือหรือสภาวะธรรมเช่นอริยสัจสี่เห็นอริยสัจสี่หรือเปล่าเห็นธรรมก็เห็นว่าเห็นอริยสัจสี่ที่เกิดขึ้นในใจเราหรือเปล่าเห็นทุกข์ไหมเห็นทุกข์เวลาใจทุกข์เห็นไหมเห็นเหตุของที่ทําให้ใจทุกข์คือกิเลสตัณหาหรือไม่ เราเห็นการดับของทุกนี้ไหมว่าดับได้ด้วยปัญญาก็คือเห็นใจแล้วในสิ่งที่ทําให้ดับทุกอันนี้ก็เป็นเรื่องการเห็นธรรมเราเห็นว่าเรามีเรามีโพชหรือเรามีโพอดชงหรือเปล่าเรามีสติหรือเปล่าเรามีสมาธิหรือเป่เ า, า, เ, ราปเรามีอุเบกขาหราือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นธรรมในใจของเราถ้าไม่มีก็ต้องจเจริญให้มากขึ้น สติยังไม่มีถ้าธรรมะที่ยังไม่มีก็ต้องห ม, มันเจริญสติหมัดจะลักษณะให้มากขึ้นถ้ายังไม่เห็นอริยสัจเจก็ต้องหมัดพิจารณาดูอริยสัจเจพิจารณาอริยสัจเจพยายามดูเวลาเราทุกเห็นไหมทุกเกิดขึ้นแล้วเห็นหรือเปล่าว่าเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากหรือไม่อะไรคำตอบนี้อันนี้ก็คือการเห็นธรรมคุณแพทย์ครับ การทิ้งรูปภาพพระพุทธรูปและหนังสือธรรมะเก่าๆถือว่าเป็นบาปไหมคะไม่บาปครับพี่แต่ว่าต้องรู้จักวิธีทิ้งของเหล่านี้เพราะมันเป็นของที่เป็นของที่อของสูงทิ้งได้ถ้ามันเราไม่สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้แล้วมันหมดสภาพก็เอาไปเผาทิ้งหรือว่าเอาไปฝังดินอะไรให้มันมนให้มันพ้นสายตาของคนไม่ให้ใครมาเหยียบย่ำทําลายเท่านั้นเอง แต่ถ้าทิ้งแบบคิ้กนการถนนที่มวลกอขยะนี่มันไม่เหมาะสมคุณตะวันครับการน้ำปรการพระอาจารย์ครับเวลาท้อแท้ในชีวิตคิดตลอดว่าเราคงจะทำกรรมไว้มากทำยังไงถึงจะหมดกรรมหรือจบชีวิตเสียทีแต่ก็ไม่ได้คิดค่าตัวตายนะคะพยายามสวดมนต์แต่สวดไปคิดไปยอมรับว่าไม่มีสมาธิเลยแบบนี้เรียกว่าเราบาปมากใช่ไหมคะยอมคิดมากมากกว่า เราหยุดความคิดเสียดีกว่าพยายามใช้สติใช้พุโทโธใช้การสวมดมนต์สู้กับความคิดที่ไม่ดีไปเวลาที่เราไม่มีความคิดที่ไม่ดีเราก็พยายามฝึกฝึกการสวดไปฝึกการบริกรรมพุโทโธไปก่อนเพราะเป็นเหมือนกับการทำการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเราไม่ซ้อไมไม่ก่อนเวลาที่เราเกิดความคิดไม่ดีเราจะหยุดมันยากแต่ถ้าเราฝึกพุโทโธไว้เรื่อยๆ พอเวลาที่เราคิดอะไรไม่ดีขึ้นมาเราก็ใช้ทำบริกรารพูดโธพูดโธอยู่มันได้อย่างง่ายดายแนว่วอนแล้วคุณพันธิวาครับบอกว่าชอบที่พระอาจารย์บอกว่าการออกบวชไปปฏิบัติธรรมคือการจากการจากกันตอนเป็นดีกว่าจากกันตอนตายมีความหมายอย่างไรครับพระอาจารย์การไปบวชล้วก็ต้องจากเพื่อนฝูงจากครอบครัวจากพี่จากน้องไปก็เหมือนตายไป การบวชนี้ก็ถือว่าไปเกิดใหม่ไป ม, มีพ่อแม่คนใหม่พระ อ, อุปัชฌาย์อาจารย์เป็นพ่อแม่คนใหม่พ่อแม่คนเก่านี่ถือว่าตายไปแล้วจากกันไปแล้วโดยเฉพาะถ้าไปบวชแบบพระปฏิบัตินี้ถ้าปีนั้นนี้ไม่ให้เจอกันะไรให้ไม่ให้กลับบ้านไม่ให้ไ ป, ไปใหญ่ให้อยู่ว่าปฏิบัติไปอย่างเดียวไม่เรางคิดว่าเหมือนตาจากกันไปแต่แต่ใจแบบจากกันแบบตอนเป็นเพราะยังมีโอกาสได้เจอกันต่อไป หลังจากที่สําเร็จแล้วอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็กลับไปโปรดวิญญารดาได้กลับไปโปวดญาติพี่น้องได้ยังได้เจอกันอยู่แต่จะเจอกันในลักษณะแบบไม่มีความผูกพันเหมือนกับเมื่อก่อนครับคุณวงจันทร์ครับตั้งใจว่าทุกครั้งการบริจาคอหิตได้สําเร็จขอบุญกุศล น, นี้ให้พ่อแม่ให้ท่านมีความสุขเข้าใจเองว่าเพราะเลือดเนื้อของเราได้มาจากพ่อแม่ ก็ได้คือบุญอุที่นี้ด้อบุญอุทิศให้คนตายเท่านั้นนะสำหรับคนเป็นนี้มันน้อยมากให้เขาทาเองจะได้มากกว่ายังไม่นิยอมที่จะอุทิศนบนุให้ให้กับคนเป็นที่เราอุทิศให้กับคนตายว่าคนตายเขาทําบุญไม่ได้แนละ้วเขาต้องอาศาายัยคนเป็นทําบุญส่งไปให้แต่สาหรับคนเป็นเองนี้ทําเองจะได้มากกว่าให้คนอุทิศให้กับเขา มันยังไม่เปนไม่ไม่ใช่เป็นธรรมเนียมที่เราจะอทิ้บุญให้กับคนเป็นเราจะช่วยคนคนเป็นไปทําบุญจะดีกว่าชวนพ่อคุณแม่ไปทําบุญที่วัดกันอะไรทำนองนี้ให้เขาได้ทำบุญเองดีกว่าเขาจะได้บุญมากกว่าแต่ถ้าเขาตายไปแล้วก็ทาบุญเองไม่ได้แนละ้วทีนี้เราก็สามารถแเรวก็ช่วยเขาได้เพียงแต่ส่งบุญที่เราทํานี้ไปให้เขาเท่านั้นเองซึ่งเป็นส่วนน้อยมากบุญที่นี่ถ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับน้ําถ้าสมมติว่าถ้าเราทําทําบุญ ถ้ากับน้ําเต็มแก้วอย่างเงี้ยบุญที่ิฏฐิก็คือน้ําที่เราเทน้นําที่ออกจากแก้วหมดแล้วหลือน้ําที่ตกค้างอยู่ในแก้วนั่นแนหะคือบุญทิฏบุญที่ได้เพียงไม่มาได้นิดเดียวคุณพัฒนพักครับกล่บบาวต่อรัชการพระอาจารย์ทําอย่างไรถึงจะดับทุกข์ในใจที่ไม่อยากเกิดมาเจอคนที่เคยทะเลาะบาดหมางกันในชาติปัจจุบันนี้คะไม่ว่าพบภูมิไหนก็ไม่อยากเจอคะ่ะ เราก็ต้องพเจารณา ว, ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความไม่อยากจะเจอเขานี่เพรานั้นวิธีแก้ความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่จะจะไปไปป้องกันไม่ให้ไปเจอเขาเพราะการจะเจอเขาไม่เจอเขานี่เป็นสิ่งที่มันอยู่เหนือวิสัยเราที่เราจะไปคำนวณได้แต่แต่สิ่งที่เราำทําได้ก็คือเราจะไม่ต้องทุกข์กับเขาต่อไปถ้าเราเจอเขาไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติถ้าเราไม่มีความอยากที่จะไม่เจอเขา เราต้องหยุดความอยากอันนี้ให้ได้หยุดความเกลียดชังเขาให้ได้แล้วก็ให้อภัยเขาให้ได้ให้เมตตาเขาถ้าเราให้เมตต า, าเขาได้แล้วต่อไปเราเจอเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาวิธีแก้ความทุกข์ใจจากจากิ จ, า ก, จา ก, การที่ต้องเจอคนที่เราไม่ชอบก็คือเราต้องให้รู้จักให้อภัยเขายกทนอย่าไปถือสาอย่าไปก่อกวนเขาอย่าไปอาฆาตพยาบาทเขาอย่าไปเกลียดชังเขา ท่านน่ะเราตอไปเราเจอเขากี่ดเขางล้วก็เจอได้เฉยๆแล้วเสร็จเฉยๆอาจารย์ผมเคยฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ายิ่งไปโกรธเกลียดใครมันจะยิ่งผูกกันไปแล้วไปเจอกันอีกจริงไหมครับ <laughs> อย่างนี้ไยิ่งผูกกันยิ่งจะเจอกันแล้ก็ <laughs> <laughs> อย่างเทวาตากับพรบุฒิจารย์มันก็เจอกันในวิธีพระภวิชาต์ครับคุณเบญจภาครับ เคยได้รับทราบว่าถ้าเราจะอโหสิให้กับคนที่ทำให้เราเจ็บกายและใจให้แผ่ไม่ตาให้กับเขาไปจะทำให้เราตัดขาดจากกันข้อนี้ถูกต้องหรือไม่ครับก็ไม่ถึงกับถ้ายังต้องเจอกันอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเราไม่ถ้าเราให้อยกไปแล้วเราเอาโหสิกลับแล้วก็จะเฉยเยกับเขาไปก็เหมือนกับเราเจอคนที่เราไม่รู้จักไปเท่านั้นเอง อ่นนี้เป็นพระครับอาจารย์จิตใจเป็นห่วงพ่อแม่มากเวลาภาวนาจ่าอุบายละอารมณ์นี้อย่างใดดีครับบวชอยู่ครับคือมันเป็นเรื่องปกติ เ, เรื่องของความเป็นห่วงพ่อแม่แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าตอนนี้เราเราจากเข้ามาแล้วเราไม่ได้อยู่ใกลเ้เขาแล้วเขาจะเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรให้กับเขาได้แล้วแล้วก็ พิจารณาตามหลักความเป็นจริงว่าคนเราทุกคนเม่เกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือไม่การจะไปห่วงก็ไม่สามารถที่จะไปะยับยั้ความแก่ความเจ็บความตายของเขาได้ให้ใช้ปัญญาสอนใจเราจะได้หายห่วงคุณปอครับหนูมีเนื้องอกที่หน้าอกประมาณสองถึงสามปีไม่ได้ไปตรวจคิดว่าหากเป็นมะเร็งก็เป็นไปจะได้เห็นความทุกข์ ก้าวหน้าทางทำได้เร็วขึ้นคิดแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะนี่เป็นมรณานุสติไหมคะก็เป็นก็เป็นดีทำนี้ได้ก็ดีไม่ไม่กลัวมันมันจะเป็นอะไรก็เป็นเพราะว่ามันบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้รักษาไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปตามนันเมื่อเราพร้อมที่จะตายแล้วมันก็จะไม่เถือตอนกับสิ่งต่างเหล่านี้ คุณนิรุตครับเรียนถามพระอาจารย์ครับเมื่อภาวนาแล้วจิตเข้าสู่พวังจิตไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างนี้ตลอดจะสงบประมาณครึ่งชั่วโมงจะมีวิธีไหนที่จะให้จิตอยู่ในสมาธิให้ได้นานกว่านี้ครับก็ต้องฝึกสติครับาาเวลาออกจากออกจากสมาทธิมาก็เดินจงกรมต่ออย่าเพิ่งเลิะเดินสติต่อไปแล้วพอเดินเดินจงกรมเสร็จก็กลับมาหน้าใหม่ ต้องปฏิบติบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะสงบได้นานขึ้นนานขึ้นคุณสิรินครับมีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งเสียชีวิตเขาเอาแต่ร้องไห้ค่ะลูกเลยบอกว่าอย่าร้องไห้เพราะถ้าพ่อรู้พ่อจะเป็นห่วงเราได้ให้พ่อไปสบายๆลูกแนะนําเพื่อนถูกไหมคะถ้าไม่ถูกควแนะนําแบบไหนคะขอพระอาจารย์ชี้แนะครับคือพ่อไม่รู้หรอกว่าเราร้องไห้หรือไม่ร้องไห้เวลาพ่อตายไปแล้วก็เหมือนเวลาพ่อนอนหลับนี่ เราจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้พ่อเขาไม่รู้เรอกนะแต่ถ้าเ ป, เป็นเป็นอุบายของการพูดเพื่อให้ให้เขาไม่ห่วงไม่ร้องไห้ก็ก็ก็ใช้ได้เหมือนเหมือนหลอกเด็กอะ่ะบางทีต้องหลอกเด็กว่าหนุ่ยอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวได้ขนมแล้อะไรอย่างงี้ยเขาก็จะก็รล้วแต่านี้เป็นอุบายเท่านั้นเองถ้าคิดว่าพูดไปแล้วทำให้เขาไม่ห่วงพ่อได้ไม่ร้องไห้ได้ก็โอเค คุณมารีครับกับเรียนถามพระอาจารย์ครั้งหนึ่งนั่งสมาธินานนานเข้าเกิดความมืดสนิทเลยสะดุ้งดึงตาเลยไม่นั่งต่อสาเหตุแบบนี้เกิดจากอะไรเจ้าคะก็จะนั่งหลับเมันมันถึงมือสนิทเลยสะดุ้งขึ้นมาสะดุ้งก็คือตื่นขึ้นมา คุณขวัญหรือไทยครับถ้าเราเคยฝึกทุกวันจนรู้ใจคนได้แล้วรู้สติตลอดเวลายืนนั่งเดินดีใจเสียใจโกรธก็รู้แต่พอปฏิบัติลดลงจนหายไปและถ้ามาปฏิบัติใหม่เราจะได้สิ่งนั้นนั้นใหม่เจ้าคะได้ถ้ากลับมาใหม่ไม่ช้ก็เลยก็ได้อาจจะต้องใช้เวลาอย่าอย่าไปอยากให้มันเกิดขึ้นทันทีทันใดก็แล้วกันเพราะมันอาจจะไม่เกิดทันทีทันใด แ้วพมันไม่เกิดเราก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมายิ่ ง, ย, งยิ่งทําให้ผลไม่เกิดขึ้นมาใหญ่เน้นเวลาเรากลับมาปฏิบัติใหม่ก็อย่าเพิ่งประยัดให้ได้ผลทันทีอันใดก็ต้องใจเย็นๆคิดว่าเหมือนแบบปลูกต้นไม้ต้นใหม่ก็าอาจจะต้องใช้เวลาให้ต้นไม้นั้นในเวลาจะเริ่เติบโตขึ้นมาก่อนเคยฟังมาว่าคนที่ต้องการบรรลุธรรมเป็นสาวกต้องสร้างบา ร, รมีแสนกับถ้ายังไม่ถึงแสนกับก็ไม่สามารถบรรลุอย่างนี้ใช่ไหมครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของคําพูดแบบว่าถ้าเราไม่นด้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็อาจจะต้องสร้างบา ร, รมีไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ทานที่จะพาเราไปสู่การบรรลุธรรมว่าเป็นเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรามีโอกาสได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี้การสร้างบา ร, รมีนี้อาจจะมใช้เพียงเจ็ดวันก็ได้หรือเจ็ดเดือนก็ได้หรือเจ็ดปีก็ได้ อันนี้พวกเราถือว่าเราพวกเราเชคดีไงที่ได้มาเกิดในยุคของรพรุทธศาสนาเราสามารถย่นเวลาของการสร้างบา ร, รมีจากแสนกับมาให้เหลือแค่เจ็วันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีก็ได้แต่ถ้าเราไม่แต่เราไม่เอาไปปฏิบัติเราก็ยังต้องกลับไปสร้างบา ร, รมีเป็นแสนกับต่อไปไอ้ที่มันนานก็เพราะเราไม่สร้างกันเองเราขี้เกียจสร้างกันวันละนิดวันละหน่อยเอาเวลาส่วนใหญ่ไป ไปตอบสนองกิเลสตัณหาของเราเสียมากกว่ามันเลยต้องใช้เวลามากแต่ถ้าเอาเวลาทั้งหมดที่เราไปตอบสนองกิเลสตัณหามาให้กับการสร้างบาลมีไม่ไม่นานหรอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ได้คําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์จักรุณพลอยอสวยครับบอกว่าป่วยติดเตียงอยู่คะ่ะตอนนี้ลูกชายไม่เคยมาหาเลยโทรมาก็ไม่เคยตอนนี้มีแต่ลูกสาวคําถามคือเขาจะลูกชายจะบาปไหมครับ ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของเขาว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าเราเข้ามาได้หรือเปล่าอันนี้จะว่าบาปก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่กระตันอยู่ทั้งนี้เขาไม่เป็นคนกระตันอยู่คนเดียวไม่มีความสำเนึกในบูลคของพูดก็เลยไม่สนใจที่จะ ด, ดูแลดูแลผู้บุคคลที่มีมีมีพอ่อกูนก็เป็นการขายความกระตัน แต่ไม่ถึงกําเลวคุณถ้าเลวคนนี้มาถึงทำร้ายพ่อแม่ที่รึงไวันนี้ครับสามตุ้ครึ่งครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนเพื่ อ, อมาฟังเยอะเลยครับจากใน f ฟ c e b o o แปด6้อยสิบหกคนใน y o u ู u แปด2้อยี่สิบคนในขับเ u าสองคนนะครับวันนี้มีเพื่อนเพื่อนมาฟังธรรมหนึ่งพันหก้อยห้าสิบแปดคนครับผมอาจจะเป็นเพหัวข้อที่มอเกิดไหมบ้าง คนอา จ, จะชอบหัวข้อแบบนี้เรื่องความตายนี่รู้สึกจะชอบกับไหนเป็นวันนีถ้ถ้าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตจะทําอย่างไรนคนเข้ามาดูคนเยอะใช่ครับอันนี้ก็อาจจะเยอะก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับตนเองแล้วยังทุกยังกังวลกันอยู่ยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าจะต้องทําอย่างไรเราะว่าคงจะได้คําตอบนะสําหรับหัวข้อ ท, ที่ได้เกิดไว้ในวันนี้ ว่าจะรู้จักวิธีที่จะนำมาไปปฏิบัติเพื่อทำให้ใจของเราไม่ต้องมาทุกเวลาที่เราต้องพักท่าหยากัรก็กิวลาพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณานะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้านในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอะสาธุ ก็ขอลาคุณบมอและท่านผู้ชมผู้ฝากไปเพียงเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็้าคงจะได้พบปกในอาทิตย์หน้าเช่นเคยครัขบขอ บ, ขอบคุณพระอาจารย์ครับ